มหาตันหาสังขยสูตรพระสูตรที่ว่าด้วยเรื่องความสิ้นไปของตันหาพระสูตรขนาดใหญ่พระสูตรขนาดยาวแล้วก็กล่าวถึงอุบายวิธีที่จะทำให้ถึงความสิ้นไปของตันหาโดยครบถ้วนสมบูรณ์นะครับซึ่งตันหานี้ก็เป็นทุกขะสมุทัยเป็นเหตุให้เกิดทุกส่วนความสิ้นของตันหาก็เป็น ทุกขานิโรธะคือความดับสนิทของทุกข์ความไม่มีทุกขตามหลักของอริยสัจทั้ง4นั่นเองนะทุกคือสิ่งที่มันไม่มีตัวไม่มีตนมันเกิดเพราะเหตุเพราะปัจจัยเกิดมาแล้วก็ตกอยู่ภายใต้กฎของไตรลักษณ์ตามธรรมนิยามคือว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นของไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์และธรรมะทั้งหลายทั้งปวง เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่ของใครแล้วก็เหตุให้เกิดทุกข์ก็คือตัณหาความอยากความต้องการด้วยความไม่รู้ส่วนทุกขนิโรธะคือความดับสนิทของทุกความไม่มีทุกข์ก็คือความสิ้นตัณหาหมดความอยากหมดความต้องการด้วยความไม่รู้ไปหนทางก็คือ อริยมัมีองค์แปดประการนะครับในพระสูตรนี้ก็กล่าวเรื่องตัณหาสังขยะก็คือความสิ้นตัณหาซึ่งก็จะบอกสาเหตุหรือว่าองค์ประกอบสำคัญที่ทําให้เกิดตัณหาขึ้นก็คือความไม่รู้ไม่รู้ความจริงของสิ่งทั้งหลายทั้งปวงพอไม่รู้ความจริงของสิ่งทั้งหลายทั้งปวงแล้วก็ไปยึดถือว่ามันเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นของเรา เป็นของที่อย่างเป็นของสุขเป็นของดีของวิเศษของน่าเอาเมื่อเกิดความไม่รู้อย่างนี้แล้วตัณหาก็เกิดขึ้นนะครับฉะนั้นตัณหาที่เกิดจากความไม่รู้อันนี้เป็นทุกขะสมุทยัยคือความอยากนั่นเองนะฉะนั้นความอยากในชีวิตประจาวันของเรานั้นมันก็มีเยอะอยู่แล้วแต่ความอยากที่เกิดจากความไม่รู้อันนี้เป็นทุกขะสมุทยัย ส่วนความอยากธรรมดาทั่วๆวไปที่เป็นความอยากเพราะว่าต้องการบริหารร่างกายให้มันพอเป็นไปได้หรือว่าความอยากด้วยสติปัญญาอยากให้ชีวิตดีขึ้นอยากให้ครอบครัวมีความสุขแล้วเราก็ทำไปตามเหตุตามปัจจัยอย่างนั้นไม่ได้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์อะไรเพราะว่าเป็นความอยากที่เกิดจากความรู้ส่วนความอยากที่เกิดจากความไม่รู้อันนี้แหละเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ นะฉะนั้นตัวที่ก่อให้เกิดตัญหาจริงๆก็คือความไม่รู้ไม่รู้ความจริงของสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนะครับในพระสูตรนี้ก็เริ่มต้นด้วยเรื่องการกล่าวถึงความเห็นของภิกษุรูปหนึ่งชื่อว่าสาติเกวัตตบุตรซึ่งท่านก็บอกว่าท่านเข้าใจคำสอนของพระพุทธเจ้าดีแล้วไม่มีสิ่งไหนที่มัน ท่องเที่ยววนเวียนไปหรอกนอกจากวิญญาณมีวิญญาณเท่านั้นเองที่ท่องเที่ยววนเวียนไปอันนี้ท่านก็เห็นผิดคิดว่าวิญญาณนั้นเป็นตัวเป็นตนท่องเที่ยวไปเกิดที่นั่นไปเกิดที่นี่แต่โดยความจริงแล้วไม่มีวิญญาณชนิดอย่างนั้นนั่นหรอกเพราะว่าพระพุทธเจ้าแสดงพระธรรมเป็นอันมากเวลาแสดงถึงวิญญาณก็แสดงธรรมะที่เกิดเพราะเหตุเพราะปัจจัย พูดถึงวิญญาณก็ไม่ใช่พูดถึงตัวตนอะไรพูดถึงสภาวะธรรมอันนึงที่เป็นผลซึ่งมาจากเหตุปัจจัยมากมายเหลือเกิ น, นเวลาพูดถึงสัตว์พูดถึงบุคคลก็ไม่ได้บอกว่าสัตว์บุคคลมีจริงอะไรแต่ว่าพูดถึงคําว่าสัตว์ว่าบุคคลนั้นเป็นสมมุติบัญญัติที่ไปเรียกถึงสิ่งที่เกิดจากเหตุปัจจัยมากมายมหาศาลเหมือนพูดถึงบุคคลหนึ่งเช่นตัวเราอย่างนี้ ก็ไม่ใช่ว่าเรามีจริงอะไรหรอกแต่พูดถึงสิ่งที่มันเกิดจากเขตจากปัจจัยเกิดจากกรรมเก่าๆบ้างเกิดจากพ่อจากแม่บ้างเกิดจากสังคมบ้างเกิดจากนน่นจากนี่บ้างจนกระทั่งเป็นเราอยู่อย่างนี้นะครับในเรื่องของวิญญาณก็ทํานองเดียวกันก็ไม่ได้พูดถึงสิ่งที่มันมีตัวตนอะไรพูดถึงสิ่งที่มันเกิดจากเขตจากปัจจัยนะครับ แต่ทีนี้ท่านสาติภิกษุได้ฟังเรื่องวิญญาณแล้วก็เกิดความเข้าใจผิดคิดว่าอันอื่นๆมันไม่ได้ท่องเที่ยววนเวียนไปหรอกมีวิญญาณมันท่องเที่ยววนเวียนไปพบโน้นพบนี้นะภิกษุทั้งหลายก็ไปตักเตือนท่านท่านก็ไม่ฟังพระพุทธเจ้าก็เลยเรียกมาแล้วก็ถามว่าวิญญาณที่เธอกล่าวถึงนั้นคืออะไร ท่านสาติก็เลยบอกว่าตัวรู้หรือว่าตัวรับรู้ความรู้สึกต่างๆแล้วก็ตัวที่ไปเสวยวิบากแห่งกรรมที่ทําดีบ้างไม่ดีบ้างนั่นแหละเป็นวิญญาณอย่างนี้พระพุทธเจ้าก็เลยกล่าวว่าพระองค์ไม่ได้แสดงอย่างนั้นนะไม่ได้แสดงเรื่องวิญญาณที่ไปเกิดที่โน่นที่นี่แล้วก็ไม่ใช่แสดงเรื่องวิญญาณเป็นผู้ไปเสวยวิบากของกรรม ที่ดีบ้างไม่ดีบ้างอย่างนั้นพระองค์แสดงแต่เรื่องเหตุเรื่องของปัจจัยกรรมมันเกิดขึ้นก็เกิดเพราะเหตุเพราะปัจจัยตัวกรรมนั้นก็คือตัวเจตนาวิญญาณนั้นเป็นตัวรู้เป็นตัวประธานเท่านั้นเองส่วนตัวกรรมก็เป็นตัวเจตนาไงนะวิญญาณมันก็เกิดแล้วดับเจตนาคือกรรมก็เกิดแล้วดับส่วนที่ วิบากที่เกิดขึ้นตัวรู้ก็เป็นวิญญาณอันใหม่ที่เกิดเพราะเหตุเพราะปัจจัยตัววิบากที่เกิดขึ้นสุขบ้างทุกบ้างก็เป็นเวทนาที่เกิดเมื่อมีเหตุเกิดแล้วก็ดับเหมือนกันไม่มีวิญญาณไปเสวยวิบากของกรรมที่ทำดีบ้างไม่ดีบ้างอย่างนั้นนั่นหรอกนะแต่ว่าคนโดยทั่วไปก็พากันเข้าใจผิดอย่างท่านสาติภิกขุนี่แหละก็คือชอบไปคิดว่า วิญญาณไปเสวยผลวิบากของกรรมที่ทำดีบ้างไม่ดีบ้างที่นั่นที่นี่แล้วก็วนเวียนกันไปอันนี้เป็นความเข้าใจเรื่องกรรมของพวกมีความเห็นผิดและความยึดมั่นถือมั่นนะครับฉะนั้นถ้าเรายังสนใจเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องทากรรมวนเวียนไปเกิดที่นั่นที่นี่พวกนี้เป็นพวกเห็นผิดเท่านั้นเองแล้วก็พวกที่มีความยึดมั่นถือมั่นนะ แท้ที่จริงแล้วไม่มีวิญญาณอย่างนั้นเลยพระองค์แสดงแต่เรื่องความไม่มีตัวไม่มีตนสิ่งที่เกิดเพราะเหตุเพราะปัจจัยเกิดแล้วก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานะครับพระองค์ตรัสบอกว่าเว้นจากเหตุปัจจัยแล้วการเกิดขึ้นของวิญญาณก็ย่อมไม่มีฉะนั้นเวลาพูดถึงวิญญาณก็พูดถึงสิ่งที่มันเกิดจากเหตุจากปัจจัยพูดถึงตัวตึกก็ไม่ใช่พูดถึงว่าตึกมันมีจริงๆแต่ว่า พูดถึงสิ่งที่มันเกิดจากเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยที่ทําให้เกิดตึกนั้นมีหลากหลายมากเหลือเกินอย่างนี้วิญญาณก็ทํานองเดียวกันพูดถึงรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ทํานองเดียวกันพูดถึงความสุขความทุกข์ก็พูดถึงสิ่งที่เกิดจากเหตุจากปัจจัยอย่างนี้ไม่ใช่พูดว่าสุขมันมีจริงๆทุกข์มันมีจริงๆแบบเป็นตัวเป็นตนเที่ยงแท้หรือว่ามาได้เองไม่ใช่อย่างนั้นนะ พระองค์จึงบอกว่านอกจากเหตุนอกจากปัจจัยแล้วความเกิดขึ้นของวิญญาณย่อมไม่มีอย่างนี้นะครับฉะนั้นคนไหนที่ยังเห็นผิดแล้วก็ไปยึดถือว่ามีตัวมี ต, มตนมีวิญญาณที่ล่องลอยไปแล้วก็ไปเกิดที่นั่นที่นี่รับผลวิบากของกรรมที่ทําดีบ้างไม่ดีบ้างคนเหล่านั้นก็จะประสบสิ่งที่ไม่ใช่บุญเป็นนันมาก ความเห็นนั้นเป็นไปเพื่อสิ่งไม่เป็นประโยชน์แล้วก็ทุกตลอดกาลนานเพราะว่าคนที่เขาไม่เห็นธรรมะนะไม่รู้จักปฏิจจสมบบาทคนนั้นก็ไม่อาจจะพ้นอบายทุคติวินิบาตและนรกไปได้เขาก็ต้องวนเวียนแล้วก็หล่นไปอบายอยู่เรื่อยอยู่เรื่อยอย่างนั้นนั่นเองนะครับเมื่อพระองค์ตรัสอย่างนี้เรียบร้อยแล้วก็ ได้กล่าวถามความเห็นของภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายได้เห็นเหมือนสาติภิกษุไหมภิกษุทั้งหลายก็บอกว่าไม่ได้เห็นอย่างนั้นหรอกเพราะว่ารู้ตามที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้นั่นแหละว่าเว้นจากเขตปัจจัยแล้วการเกิดขึ้นของวิญญาณ น, นั้นย่อมไม่มีทีนี้ก็เลยแสดงเรื่องวิญญาณชนิดต่า ง, างจากกุวิญญาณโสตะวิญญาณคานวิญญาณ ชิวหาวิญญาณกายะวิญญาณแล้วก็มโนวิญญาณก็ชื่อวิญญาณเหล่านี้ได้ชื่อต่างกันไปตามเหตุตามปัจจัยของมันเพราะอาศัยตาและรูปก็เกิดวิญญาณขึ้นวิญญาณนี้ก็ถึงการรับรู้กันว่าจักขวิญญาณอย่างนี้อาศัยใจกระทบกับธรรมะก็เกิดวิญญาณขึ้น วิญญาณนี้ก็ถึงการนับว่ามนโนวิญญาณอย่างนี้นะครับก็เหมือนกับอุปมาเหมือนกับไฟมีไฟที่เกิดจากไม้ไฟที่เกิดจากป่าไฟที่เกิดจากหญา้าไฟที่เกิดจากแกลบไฟที่เกิดจากอยากเยื่อเป็นต้นอย่างนี้นะทีนี้หลังจากกล่าวเรื่องวิญญาณที่ไม่มีตัวไม่มี ต, มมตนอย่างนี้แล้วเกิดแล้วเพราะเหตุเพราะปัจจัยโมเหตปัจจัยก็ดับไป พระองค์ก็ตรัสถึงขันธ์ทั้งห้าที่เกิดแล้วก็เหมือนกันเพราะว่าที่เราทั้งหลายพากันสงสัยอยู่นี่ก็สงสัยแต่ในเรื่องขันธ์ทั้งห้านี่แหละไม่มีการเลยไปจากนี้คนละลึกชาติระลึกชาติไปในอดีตเห็นว่าโอ้ชาติก่อนๆเราเป็นคนโน้นคนนี้เกิดตระกูลโน้นตระกูลนี้ชื่อนโน้นชื่อนี้อายุเท่านั้นเท่านี้แท้ที่จริงก็เป็นการนึกไปถึงขันธ์ทั้งห้านั่นแหละแท้ที่จริง ก็เป็นขันห้าที่เกิดในอดีตแล้วก็ดับไปแล้วไม่มีตัวไม่มีตนอะไรนะครับฉะนั้นเราจะสงสยัยก็สงสัยแต่ในเรื่องขันห้ในอนาคตโอ้เราจะเป็นไปยังไงจะไปเกิดที่ไหนอีกจะเป็นเทวดาหรือเปล่าหรือว่าจะไปอบายนี่การคิดอย่างนี้ก็เป็นการคิดถึงขันทั้ง5นั่นแหละแต่ว่าเขาเข้าใจผิดอยู่เฉยๆนะครับแม้ในปัจจุบันที่เรานั่งอยู่นี้ก็เป็นขันทั้งห้า นะพระองค์ก็เลยตรัสถึงเรื่องขันทั้งห้านะในหน้าที่4ี่บาลีข้อ401้อก็คือกล่าวถึงขันทัง5้ที่เกิดขึ้นมาแล้วเกิดก็เกิดเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปเพราะหมดเหตุหมดปัจจัยทีนี้คนไม่รู้ความจริงก็เกิดความสงสัยถ้าอยากจะเลิกสงสัยก็ต้องรู้จักขัน5ตามที่มันเป็นจริงว่ากายใจนี้นะ เป็นแต่ขันทั้ง5ไม่ใช่ตัวเรานะแล้วก็เกิดเมื่อมีเหตุหมดเหตุก็ดับไปนะถ้ารู้ความจริงอย่างนี้ความสงสัยที่เคยมีก็ถูกละได้นะครับฉะนั้นเวลาเราเกิดความสงสัยขึ้นก็ไม่ต้องไปหาคําตอบที่นั่นที่นี่เพราะว่าท่านบอกวิธีเอาไว้แล้วก็คือให้รู้จักขันทั้ง5ตามที่มันเป็นจริงรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันเกิดเพราะมีเหตุ แล้วก็ดับไปเมื่อหมดเหตุถ้ารู้ด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้คือรู้ด้วยวิปัสสนาแล้วก็มักรู้ตามความเป็นจริงอย่างนี้ความสงสัยก็จะถูกละได้นะไม่อย่างนั้นเราก็จะสงสัยอยู่เรื่อยทําอย่างนี้แล้วจะได้ยังไงเออสุขทุกข์อันนี้ใครทําให้แล้วจะไปเกิดที่ไหนมันก็วนเวียนไปเรื่อยๆนะครับที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่ายัางไม่รู้ความจริงนะครับ ทีนี้พระองค์หลังจากแสดงเรื่องขันทั้งห้าเรียบร้อยแล้วก็ทรงแสดงเหตุปัจจัยของขันทั้งหที่ได้ชื่อว่าสัตว์บุคคลตัวตนหรือว่ามีผู้ไปเกิดที่นั่นที่นี่แท้ที่จริงไม่มีสัตว์บุคคลหรอกเป็นชื่อสมมุติเรียกเท่านั้นเองในหน้าที่หบาลีข้อ4ี่พระองค์ก็ทรงแสดงอาหารสประการซึ่งเป็นปัจจัย ให้สัตว์ที่เกิดขึ้นมาแล้วดำรงอยู่ได้แล้วก็อนุเคราะห์แก่พวกสัมภเวสีพวกที่แสวงหาที่เกิดวนเวียนไปเรื่อยๆเห็นไหมสัตว์บุคคลที่ไปเกิดที่โน่นที่นี่แท้ที่จริงไม่มีจริงๆเป็นแต่ขันทั้งห้าที่ไปเกิดที่นั่นที่นี่ทีนี้ขันทั้งห้านี้ก็ไม่ได้มาลอยเหมือนกันก็มาจากเขตมาจากปัจจัยคืออาหารทั้ง4นี่แหละ เป็นปัจจัยแห่งขันทั้ง5นะครับทีนี้แม้แต่อาหารทั้ง4ก็มีเหตุปัจจัยด้วยเหตุปัจจัยที่ทำให้ขัน5เกิดก็มีเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยของเหตุปัจจัยก็มีด้วยเหตุปัจจัยของเหตุปัจจัยของเหตุปัจจัยก็มีไปเรื่อยๆอย่างนี้ฉะนั้นตัวเหตุปัจจัยมันจึงไม่สิ้นสุดนะครับ<ๆ>เวลาถามถึงเหตุปัจ<ส>จัย<ญ drafted>ของขันทั้ง5แล้วพระองค์ก็ทรงแสดงอาหารสี่ ทีนี้อาหารทั้ง4ี่มันก็มีเหตุปัจจัยมาอีกพระองค์ก็ทรงสแสดงตัณหาตัณหาก็มีเหตุปัจจัยมาอีกคือเวทนาเวทนาก็มีเหตุปัจจัยมาอีกก็คือโดยสรุปรวบรั้แล้วก็คือว่าทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเกิดจากเหตุจากปัจจัยแม้แต่ตัวเหตุปัจจัยที่ทําให้สิ่งอื่นเกิดก็เกิดจากเหตุจากปัจจัยนั่นเองนะครับอันนี้ก็กล่าวแบบผู้ที่รู้ทั้งหมดแล้วก็จะบอก ได้ว่าการไปสแสวงหาเหตุปัจจัยหรือว่าสแสวงหาให้จบว่าโอ้จุดเริ่มต้นมันมาจากไหนนี้ย่อมเป็นไปไม่ได้ท่านจึงว่าที่สุดเบื้องต้นนั้นมันไม่ปรากฏถ้าใครยังหาที่สุดเบื้องต้นได้ว่าโอ้อันนี้มาจากอันนี้อย่างแน่นอนคนนั้นแสดงว่าเป็นคนไม่รู้จริงส่วนคนที่รู้จริงแล้วท่านจะบอกว่า ที่สุดเบื้องต้นของสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั้นมันไม่ปรากฏไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามแต่ถ้าไล่ไปเรื่อยๆเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเกิดจากเหตุปัจจัยทั้งนั้นเหตุต้นเขาหรือว่าเป็นตัวมู ล, มลฐานนั้นไม่มีจะบอกว่าอา้าวให้ใครคนใดคนหนึ่งเป็นผู้มีอำนาจเป็นผู้สร้างพระเจ้าเป็นผู้สร้างก็แล้วกันอันนี้ก็ถ้าคนมีความเชื่อเยอะๆก็อาจจะ บอกได้หรือว่าเชื่อถืออย่างนั้นแต่ถ้าคนมีปัญญามองลงไปอีกชั้นหนึ่งเขาก็จะรู้ว่าแล้วใครเป็นคนสร้างพระผู้เป็นเจ้าหรือว่าพระเจ้านั้นขึ้นมาอีกล่ะแล้วใครเป็นคนสร้างที่สร้างอันนั้นขึ้นมาอีกล่ะอย่างนี้มันก็ไม่สิ้นสุดฉะนั้นคนที่มีปัญญาอย่างถึงที่สุดแล้วท่านจึงบอกว่าไม่มีตัวตนโดยสักที่เดียวไม่มีคนไหนที่เป็นผู้สร้างอย่างเดียวเดียว ไม่มีผู้ที่มีอำนาจเป็นต้นเขาเป็นมูลของสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมีแต่มันอิงอาศัยกันและกันเกิดขึ้นนะในตอนนี้ทำหน้าที่เป็นเหตุให้เกิดอันนี้แต่มันก็เป็นผลมาจากอันอื่นเนี่ยผลก็ทำหน้าที่เป็นเหตุก็มีเหตุก็ทำหน้าที่เป็นผลก็มีแล้วแต่เรามองในแง่มุมอันไหนนะครับฉะนั้นหลักของธรรมะแล้วตามหลักของปฏิจจสมุปบาทท่านจึงว่า มันอิงอาศัยกันและกันเกิดขึ้นไม่มีในแง่ของเหตุเดียวปัจจัยเดียวอย่างนั้นมีแต่ความสับสนอนลมานแล้วก็มีแต่เรื่องความที่มันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยหน้าที่ของเราก็คือทำไปตามเหตุตามปัจจัยที่เราเห็นได้ด้วยตนเองคืออันไหนที่เราพอทาได้สัมผัสได้ด้วยสติปัญญาก็ทาอย่างที่หันเห็ น, หนส่วนเหตุปัจจัยที่ยังไม่เห็น ก็ไม่ต้องไปสนใจมันก็ได้แต่ในความรู้สึกของเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันมีเหตุปัจจัยอย่างอื่นอีกมากมหาศาลแต่เราไม่รู้ก็ไม่เป็นไรเราทำเฉพาะอันที่เราเห็ น, เ ห, นเห็นกันอยู่อย่างนี้นะครับในบาลีข้อ402พระองค์ก็ทรงแสดงอาหาร4ซึ่งเป็นเหตุปัจจัยให้สัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาแล้วดำรงอยู่แล้วก็ อนุเคราะห์พวกสัมภเวสีคือพวกที่สแสวงหาที่เกิดท่านมีบาลีว่าจัตตาโรโเมพิกขเวอาหาราภูตานังวาสัตตานังทิติยาสัมภเวสีนางวาอนุกขหายะดูก่อนภิกษุทั้งหลายอาหารสี่ประการเหล่านี้ย่อมมีเพื่อความดำรงอยู่ของสัตว์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นมาแล้ว ภูตานังวาสัตตานังของสัตว์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นมาแล้วสัมภเวสีนางวาอนุขหายะและเพื่ออนุเคราะห์แก่พวกสัมภเวสีทั้งหลายนี่ไม่ว่าจะเป็นสัตว์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นมาแล้วหรือว่าพวกสัมภเวสีที่ทํากรรมแล้วก็ไปสแสวงหาที่เกิดที่นั่นที่นี่ไปเรื่อยๆแท้ที่จริงก็เป็นเพียงขันห้าแต่ชื่อว่าสัตว์ก็เพราะว่าเป็นคําสมมุติเรียกเท่านั้นเอง นะครับฉนันเวลาเราพูดถึงสัตว์พูดถึงบุคคลนะให้เข้าใจว่าเวลาพระพุทธเจ้าพูดถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมาพระองค์แสดงถึงเรื่องของเหตุเรื่องของปัจจัยนะแสดงเรื่องวิญญาณก็ไม่ใช่แสดงว่าวิญญาณมันมีตัวมี ต, มตนมีจริงๆไม่ใช่อย่างนั้นแต่ว่าแสดงถึงวิญญาณที่เกิดเพราะเหตุเพราะปัจจัยอย่างนี้มีเหตุมีปัจจัยจึงเกิดขึ้น เหมือนกับเวลาเราไปอ่านในชาดกเรือ่องอะไรต่างๆก็ดีนะพระพุทธเจ้าก็ไปเกิดชาติโ น, โน้นชาินี้เป็นคนโน้นคนนี้เป็นพระโพธิสัตว์นั่นนี่ก็ไม่ใช่แสดงว่ามีพระพุทธเจ้าหรือว่ามีคนนั้นคนนี้จริงๆเป็นการแสดงแต่เรื่องเหตุเรื่องของปัจจัยเพื่อแสดงให้เห็นว่าพระพุทธเจ้าก็ไม่มีตัวไม่มีตนเหมือนกันที่เกิดสภาวะอย่างนั้นที่เรียกว่าพระพุทธเจ้าขึ้นมา ก็ล้วนมาจากเหตุมาจากปัจจัยไม่ได้มาลอยลอยไม่ใช่แสดงเรื่องชาดกเรื่องพระพุทธเจ้าเพื่อให้เราหลงไปยึดถือว่าพระพุทธเจ้าของเรานะอย่างนี้ไม่ใช่อย่างนั้นเลยแต่ว่าพระองค์แสดงเรื่องต่างๆขึ้นมาก็เพื่อแสดงว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ได้มาลอยลอยแม้กระทั่งตัวพระองค์เองนี้ก็ไม่ได้มีตัวมีตนที่จะมาลอยๆออะไรมาจากเหตุมาจากปัจจัยนั้นบ้างนี้บ้าง หลากหลายและเกินจนกระทั่งเกิดสภาวะอย่างนี้ขึ้นสัตว์บุคคลทั้งหลายก็ทำนองเดียวกันก็ล้วนแต่ไม่มีตัวไม่มีตนเหมือนกันฉะนั้นแสดงชาดกก็ดีแสดงเรื่องอะไรอะไรขึ้นมาก็ดีก็เพื่อให้เห็นว่าไม่มีตัวไม่มีตนอะไรทุกสิ่งที่เป็นสังขารล้วนเกิดจากเกจจากปัจจัยแต่เราทั้งหลายผู้มีความเข้าใจผิดว่ามีตัวตนอยู่ไปฟังเรื่องอะไรก็จะมีตัวมีตน ม, มีคนโน้นคนนี้ไปหมด นี่กายกับใจนี่ตัวเราของเรานะพอไปฟังเรื่องพระพุทธเจ้าก็พระพุทธเจ้าของเราอันนี้มันก็ผิดพลาดไปหมดนะนี่นะครับพอไปฟังเรื่องบุญเรื่องบาปก็บาปบุญก็มีตัวมี ต, มตนไปอีกมีคนที่จะคอยให้ผลมีคอยให้ทําร้ายเราอย่างนั้นอย่างนี้บุญคอยให้ของดีบาปคอยให้ของไม่ดีอะไรอย่างนี้ไปทั้งทั้งที่พระพุทธเจ้าสอนเรื่องบุญ ก็แสดงให้เห็นว่ามันไม่มีตัวตนอะไรบุญเป็นชื่อของสิ่งสภาวะอันหนึ่งที่เกิดเพราะเหตุเพราะปัจจัยเกิดแล้วมีธรรมชาติเป็นอย่างนี้บาปก็ทำนองเดียวกันนี่อย่างนี้นะครับดังนั้นถ้าเรามีปัญญาเข้าใจความจริงแล้วตัณหามันก็ไม่เกิดเหมือนกันแต่ถ้าไม่เข้าใจความจริงของสิ่งต่างๆเหล่านี้นะตัณหามันจึงเกิดขึ้นมานะครับตัณหาจึงมีลักษณะ เป็นความอยากความต้องการด้วยความไม่รู้ไม่รู้ความจริงของสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนะครับตอนนี้ก็พูดถึงอาหารสี่ประการซึ่งเป็นเหตุปัจจัยแห่งขันห้ากตโมกตเมจัตตาโร4ประการอะไรบ้างกัพลิงกาโรอาหาโรโอลาริโกวาสุคุโมวคืออาหารที่เป็นคาคาที่หยาบก็มี ละเอียดก็มีผัสโสทุติโยมีผัสสะเป็นที่สองมโนสัญเจตนาตติยามโนสัญเจตนาเป็นที่สวิญญาณังจตุถังมีวิญญาณเป็นที่สนะครับอันนี้เป็นเหตุปัจจัยของขันธ์ทั้ง5ก็คืออาหารที่เป็นคำคำอาหารหยาบที่เป็นของหยาบก็มีละเอียดก็มีที่เราเกลืนกินลงไปคือธาตุของโลก ที่เราใส่ลงไปในร่างกายนี้ถ้าไม่มีอาหารนะรูปมันก็คงอยู่ไม่ได้พอรูปคงอยู่ไม่ได้พวกสภาวะนามธรรมอื่นๆที่มันเคยเกิดขึ้นในรูปนี้มันก็ไม่เกิดอีกเหมือนกันฉะนั้นมันก็ตัวอาหารนี่ทําให้ร่างกายนี้อยู่ได้ทนอยู่ได้พอร่างกายอยู่ได้พวกนามธรรมอื่นๆก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันนะ ฉะนั้นตัวกับพลิงกาโรอาหาโรจึงเป็นเหตุปัจจัยหนึ่งของขันธ์ทั้งห้าผัสโสทุติโยมีผัสสะเป็นที่สองผัสสะนี้อาศัยตาหูจมูกลิ้นกายและใจกระทบอารมณ์แล้วเกิดเกิดผัสสะขึ้นผัสสะทางตาจักขุสัมผัสผัสสะทางหูโสตสัมผัสผัสสะทางจมูกคานะสัมผัส ผัสสะทางลิ้นชิวหาสัมผัสผัสสะทางกายกายสัมผัสผัสสะทางใจมโนสัมผัสนะครับมีผัสสะก็ทำให้มีเหตุปัจจัยให้ขันทั้งห้ายังดำรงอยู่แล้วก็วนเวียนต่อไปได้เพราะว่าผัสสะ น, นี้เป็นสิ่งที่มาจากกรรมเก่าเราได้ตาหูจมูกลิ้นกายและใจ คุณภาพของกายคุณภาพของใจมาแล้วก็ไว้กระทบผัสสะกับโลกนะพอกระทบผัสสะกับโลกแล้วขันทั้งห้าก็มีเหตุปัจจัยปรุงแล้วมันก็เกิดดับเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยของเก่าดับไปของใหม่ก็เกิดขึ้นนะมโนสันเจตนาตติยามีมโนสันเจตนาเป็นอันที่สามเจตนาที่จะทาเพื่อตนเองในด้านทางใจอันนี้ก็ หล่อเลี้ยงทําให้มีขันท่าต่อไปเรื่อยๆนะถ้าไม่มีเจตนามาทํากรรมวนเวียนแล้วขันทั้งห้าก็เป็นแค่กองทุกข์ที่เป็นไปชั่วครั้งชั่วคราวแล้วมันก็จะสลายตัวลงไปแต่ถ้ามีมโนสัญเจตนาหล่อเลี้ยงไว้มันก็จะหล่อเลี้ยงเพื่อให้มีขันต่อไปในอนาคตฉะนั้นใครที่ยังมีการทํากรรมเพื่อตนเองด้วยความยึดถือพิสูจน์ตนเองด้วยอํานาจอุปาทาน ว่าเราเป็นนั่นเป็นนี่ก็ยังต้องมีกองทุกข์คืออุปาทานขันต่อไปเรื่อยๆตัวขันทั้งห้านี้ถ้าเราปล่อยมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยมันเป็นแค่กองทุกข์เราไม่ยึดถือมันมันก็ไม่เป็นไรแต่ที่มันเป็นทุกขะอริยสัจก็เฉพาะส่วนที่เป็นอุปาทานขันนะขันทั้งหที่เป็นที่ตั้งของความยึดมั่นถือมั่นขันทั้งห้าที่เชื่อฟังอุปาทานอันนี้เป็นกองทุกข์ที่ ต้องไปเรื่อยๆเยนี่ท่านดูสิกายกับใจท่านนี้ท่านทําไปเพื่อพิสูจน์อะไรทําตามอุปาทานคือความยึดถือของตนเองขันธ์ทั้งห้านี้มันเชื่อฟังอุปาทานตัวขันธ์ทั้งห้าที่เชื่อฟังอุปาทานนี้มันจะไม่มีทางดับแล้วก็หายไปมันอันเก่าดับไปอันใหม่มันก็จะเกิดขึ้นไปเรื่อยๆความเกิดขึ้นของกองทุกข์ก็ย่อมเป็นไปด้วยประการอย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านจึงบอกว่า เอาเฉพาะส่วนที่เป็นอุปาทานขันทั้งห้านะเป็นทุกขอริยาสัตว์ที่ต้องมารู้ให้มันแจ่มแจ้งถ้ารู้แจ่มแจ้งแล้วขันทั้งห้านี้ไม่เป็นไปตามอำนาจของอุปาทานมันก็จบกันนะครับฉะนั้นเราก็ดูก็แล้วกันที่เราใช้กายใช้ใจของเราไปทำนั่นทำนี่อะไรเยอะแยะนี้มันทำตามอะไรถูกตัญหาสั่งใช่ไหมถูกอุปาทานมันยึดถือ แล้วก็ใช้ไปทำนั่นทำนี่พิสูน์ตนเองอย่างโน้นอย่างนี้อะไรก็ไม่รู้เพื่อรักษาหน้าตนเองก็ดีให้ตัวเองดูดีก็ดีอะไรก็ดีนี่เยอะแยะคำพูดที่เราพูดการกระทาที่เราทำที่เราเข้าไปสังคมอย่างโน้นอย่างนี้ก็เพื่ออะไรทำตามอุปท า, านที่มันยึดถือไว้เท่านั้นเองเห็นไหมเออเพราะเขาเป็นญาติเราจึงต้องไปเพราะเนื่เพราะ น, น, าะนี่เพราะนั่นนี้ อุปาทานขันเห็นไหมออทำตามความยึดถือของตนเองสนุกไหมวันวันโอ้มันมากนะนี่เขาเรียกมโนสัญเจตนาตติยานี่ก็หล่อเลี้ยงให้มีขันทั้งห้าหรือว่ากองทุกยาวนานไปเรื่อยๆไม่สิ้นสุดถ้ายังมีอยู่อย่างนี้อยู่อีกชาตินี้หมดไปชาติต่อมาก็มาอีกต่อมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยนะจนกระทั่ง หมดกรรมไปนั่นแหละคือเป็นพระอรหันต์ไปแล้วก็บริหารขันจบแล้วก็จบกันไปแล้วนะครับแต่ถ้ายังไม่จบก็ชาตินี้ก็เป็นสัต์ที่เกิดขึ้นมาแล้วก็เกิดยังไม่เสร็จก็เป็นสัมภเวสีต่อไปในชาติต่อๆไปเรื่อยๆนะครับเราทั้งหลายนี้เป็นพวกสัมภเวสีคือพวกสแสวงหาที่เกิดให้ตัวตนเห็นไหมที่เราทำทำอยู่นั้นนะ่ะ เพื่อหน้าตาก็ดีเพื่อดูดีก็ดีเพื่อให้เราเป็นนั่นเพื่อให้เราเป็นนี่อันนั้นแหละเขาเรียกสัมภเวสีรู้จักไหมตัวขันทั้งห้านี้เกิดเพราะเหตุเพราะปัจจัยนี้เป็นตัวภูตะมันเกิดเรียบร้อยแล้วส่วนตัวสัมภเวสีคือตัวการแสวงหาที่เกิดอันใหม่ให้ตัวตนรักษาหน้าตัวตนก็ดีให้ตัวตนดูดีก็ดีอะไรต่างๆเหล่านั้นนะครับ มันก็จะไปเรื่อยๆก็เกิดการทํากรรมดีบ้างไม่ดีบ้างก็เกิดจากความยึดถือเหมือนๆกันทําบุญก็ด้วยความยึดถือทําบาปก็ด้วยความยึดถือก็เหมือนเหมือนกันนั่นแหละก็สแสวงหาที่เกิดพอๆกันพอเวลาเป็นพระอรหันต์แล้วท่านก็ไม่มีศัพว่าสัมภเวสีแล้วพระาอารหันต์จึงเป็นภูตะอย่างเดียวคือว่าท่านไม่มีการทํากรรมเพื่อการวนเวียนไปเกิดอีกแล้วท่านมีแต่ของเก่าที่ต้องบริหารไป คือมีแต่ขันห้าแต่ไม่มีอุปาทานขันห้นี่นะนะครับไม่มีขันหที่ทำไปตามอุปาทานนะมีแต่ขันทั้งหที่เป็นภาระที่แบกเอาไว้รอเวลาเลิกงานเท่านั้นเองของเรานี่มันมีขันทั้ง5ที่เป็นของเกิดตามเหตุตามปัจจัยด้วยมีส่วนที่เป็นขันหที่เอาไว้สำหรับเป็นเครื่องมือตอบสนองอุปาทานด้วยนะซึ่งตัวที่ ทำหน้าที่ตอบสนองอุปาทานนี้เราต้องรู้มันแล้วก็ละตันหาทำให้มันเข้าใจแจ่มแจ้งส่วนขันทั้งหที่ได้มาแล้วนี้ต้องบริหารมันไปนะจะยึดไม่ยึดก็ต้องบริหารส่วนตัวที่ยึดนี่ต้องเอาความยึดออกนี่อย่างนี้นะครับฉะนั้นเราก็เป็นทั้งพูดด้วยทั้ง ส, สัมเวสีด้วยในตัวเองนะครับนมโนสันเจตนาตติยาก็เป็นอาหารของขันห้า ที่มันวนเวียนไปเรื่อยไม่สิ้นสุดแล้วก็วิญญาณังจะตุดถังมีวิญญาณเป็นที่สวิญญาณไปอย่างลงในที่ใดแล้วติดอยู่ในร่างนั้นติดอยู่ในสิ่งนั้นอันนี้ก็ทำให้ขันทั้งห้านั้นวนเวียนต่อไปเรื่อยๆถ้าวิญญาณเกิดขึ้นรับรู้แล้วไม่ไปอย่างลงหรือว่าไม่ไปติดอยู่กับสิ่งนั้นมันก็ไม่เป็นไรเพราะอะหานท่านก็เห็นรูปเหมือนกันแต่เห็นแล้วท่านไปติดอยู่กับรูปไหม ไม่วิญญาณของท่านไม่อย่างลงที่นั่นก็ไม่สืบต่อไม่ยาวนานวิญญาณก็เกิดขึ้นเกิดแล้วก็ดับไปพระอรหันต์ได้ยินไหมท่านก็ได้ยินเหมือนกันท่านเกิดสุขไหมเกิดสุขเหมือนกันเกิดทุกข์ไหมเกิดทุกข์เหมือนกันเกิดเฉยเฉยเหมือนกันเกิดสิ่งต่างๆรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจเหมือนกันแต่ว่าท่านไม่อย่างลงในที่นั่นพอไม่อย่างลงในที่นั่นสิ่งนั้นเกิดแล้วมันก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไปหมดเหตุเรียบร้อยก็ จบกันไปเท่านั้นแต่เรานี้นอกจากจะเป็นพูดเกิดเพราะเหตุเพราะปัจจัยแล้วยังเป็นพวกสัมภเวสีด้วยคือว่าชอบไปอย่างลงเห็นรูปทางตาแล้วหยุดอยู่เท่านั้นไหมไม่หรอกขอเพลิดเพลินด้วยบางทีบางทีก็ขอชังมันด้วยก็แล้วกันอันนี้มันก็ต่อยาวนานไปเรื่อยๆนะอันนี้ก็ทุกเกิดนะครับฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงบอกว่าบุคคลไปเพลิดเพลินติดใจและก็บ่นถึงสิ่งใด นันทิก็เกิดกับเขานันทิเกิดทุกก็เกิดเท่านั้นแหละนะบุคคลไปมองเห็นสิ่งใดแล้วได้ยินสิ่งใดแล้วเขาไม่เพลิดเพลินไม่ติดใจไม่บ่นถึงมันไม่ติดใจในอารมณ์นั้นพอไม่ติดใจนันทิก็ดับนันทิดับทุกก็ดับก็เท่านั้นเองนะครับถ้าทําได้ก็ปฏิบัติก็ง่ายๆเท่านี้ถ้าเรายังไปติดใจอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ ความเพลิดเพลินก็เกิดความเพลิดเพลินเกิดทุกข์ก็เกิดขันห้าก็เกิดขึ้นเป็นกองทุกข์วนเวียนไปเรื่อยๆถ้าไปรับรู้อารมณ์ใดๆแล้วก็สักแต่ว่ารับรู้ความเพลิดเพลินติดใจบ่นถึงพูดถึงไม่เกิดนันทิก็ดับไปนันทิดับทุกข์ก็ดับตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นะมีตัณหาทุกข์ก็เกิดหมดตัณหาทุกข์ก็ดับก็จบกันเท่านั้นนี่ ข้อปฏิบัติอย่างย่อที่สุดก็มีเท่านี้แหละง่ายไหมง่ายนะแต่เวลาทําจริงๆก็ทํายนตายไปข้างหนึ่งนะกิเลสไม่ตายเราก็ตายไปก็ว่ากันไปนะครับฉะนั้นตัวอาหารที่เป็นเหตุปัจจัยให้เกิดขันทั้ง5นี้ก็มีวิญญาณเป็นที่สวิญญาณไปอย่างลงที่ไหนบ้างอย่างชาตินี้เห็นไหมวิญญาณเรามาอย่างลงอย่างลงในร่างนี้เพราออย่างลงในร่างนี้ยึดไหม โอ้ยึดแหลกลานไปหมดอย่างนี้เสร็จเสร็จตลอดนะเดี๋ยวสักหน่อยก็เกิดอันใหม่วิญญาณใหม่ขึ้นมาเพียบทีเดียวแต่ถ้ามารับรู้แล้วไปมองเห็นเรียบร้อยแล้วก็สักแต่ว่ามองเห็นแล้วก็ดับไปไม่เพลิดเพลินไม่บ่นถึงว่าเราเห็นอะไรมันสวยหรือมันไม่สวยมันก็เกิดแล้วมันก็ดับไปแต่ถ้าวิญญาณไปอย่างลงแล้วมันก็สืบต่อยาวนานไปเรื่อยๆนะครับ การสืบต่อยาวนานก็ดูลักษณะจากจิตใจของเราก็ได้ยังบ่นถึงพร่ำเพ้อถึงไหมยังพูดถึงมันไหมถ้าพูดถึงมันอยู่ก็แสดงว่าทุกข์ก็ยังมีอยู่นะครับฉะนั้นบางคนเขาก็อยากจะพ้นจากทุกข์แต่ก็พูดถึงทุกข์อย่างนี้เขาจะพ้นไหมเขาไม่พ้นเพราะว่าเขาชอบชอบสีถึงพูดถึงในเมื่อเขาชอบทุกข์เขาก็บ่นถึงทุกข์แล้วเขาอยากจะพ้นทุกข์พวกนี้ก็พูดไปก็ตายเปล่าๆนะ พูดไม่รู้เรื่องไม่รู้ราวอะไรกันเพราะว่าวิญญาณเขานั้นไปอย่างลงถ้าเขาไม่อยากเป็นทุกข์เขาก็อย่าไปอย่างลงในสิ่งนั้นมันก็จบแล้วอย่าไปติดใจอย่าไปพูดถึงอารมณ์นั้นมันเกิดแล้วมันก็ดับไปก็ไม่ได้มีอะไรกันอีกนะครับแต่เรานี้มันไม่เข้าใจพอไม่เข้าใจก็ยึดถือวิธีนั้นวิธีนี้ตัวตนอย่างนั้นตัวตนอย่างนี้จะทําอย่างนั้นจะทําอย่างนี้แก้นโน่นแก้นี่แล้วก็แก้ไม่ถูก นะพอแก้ไม่ถูกยิ่งแก้มันก็ยิ่งยุ่งหนักไปเรื่อยๆนะครับแต่ไม่เป็นไรถึงจะยุ่งแค่ไหนอั น, นิจจังช่วยได้เพราะมันไม่เที่ยงปล่อยเรื่องยุ่งยุ่งนั้นผ่านไปนั่งดูเฉยๆมันก็จะดับลงไปเองพอมันดับลงไปก็เลิกยุ่งแล้วฉะนั้นอั น, นิจจังนี้เป็นตัวช่วยฉะนั้นเราทั้งหลายนี่มีตัวช่วยอยู่ตลอดถึงจะยุ่งยากขนาดไหนก็ตามจะทาผิดพลาด อะไรเยอะแยะมากมายแล้วเกินก็ตามอณิจังนี่คือโอกาสแล้วนะครับฉะนั้นกฎอณิจังก็คือกฎของโอกาสแห่งความเป็นไปได้ของทุกสิ่งทุกอย่างตอนนี้เราอาจจะเลวอยู่ต่อไปมันไม่เที่ยงเราอาจจะดีขึ้นก็ได้ตอนนี้ยังโง่อยู่เพราะมันไม่เที่ยงความโง่ดับไปปัญญาเกิดได้ไหมเกิดได้อะไรอะไรก็ล้วนเป็นไปได้ด้วยอณิจังนะครับ อันนี้นะอาหารสี่ประการเหล่านี้นั่นแหละย่อมมีเพื่อความดำรงอยู่ของสัตว์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นมาแล้วและก็เพื่ออนุเคราะห์แก่พวกสัมภเวสีให้มีขันดำเนินไปเรื่อยๆมีกัพลิงกาโรอาหาโรโอลาริโกวาสุกุโมวาคืออาหารที่เป็นคำคำหยาบก็ดีละเอียดก็ดี อันนี้หล่อเลี้ยงร่างกายให้มีรูปร่างกายดำรงอยู่พออยู่ได้เป็นที่เกิดของพวกนามธรรมผัสโศตุติโยมีผัสสะเป็นที่สองตัวผัสสะนี้รับใช้กรรมเก่าได้มาจากกรรมเก่าได้ตาหูจมูกลิ้นกายและใจมาแล้วก็ไว้กระทบสัมผัสกับโลกมโนสัญเจตนาตจิยามีมโนสัญเจตนาเจตนา ความจงใจตั้งใจในทางใจที่จะทำเพื่อตนเองขึ้นมาอันนี้ก็หล่อเลี้ยงทำให้มีขันห้าต่อไปเรื่อยๆวิญญาณังจตุถังมีวิญญาณเป็นที่สวิญญาณไปสืบต่อแล้วก็ยังลงในสิ่งใดสนใจสิ่งใดก็จะยังสืบต่อสิ่งนั้นไปเรื่อยๆต่อเมื่อใดที่เห็นความจริงแล้วเลิกเห็นผิดเลิกยึดมั่นถือมั่น ของเกิดดับก็ปล่อยมันเกิดดับไปไม่ไปบนเพอ้อไม่ไปติดใจสิ่งต่างๆอันนั้นก็จะหมดกันไปนะอันนี้อาหารของขันทั้ง5ทีนี้พระพุทธเจ้ารู้จักขั น, ร, Sent, ข น, นรู้จักปัจจัยแห่ขงขันทั้ง5เป็นอย่างดีด้วยแล้วก็รู้จักปัจจัยแห่งปัจจัยจจของขันทั้ง5เป็นอย่างดีด้วยแล้วก็รู้จักปัจจัยแห่งปัจจัยแห่งปัจจัยของขันทั้ง5เป็นอย่างดีด้วย ก็เหมือนจักรู้ตัวเรานะเหมือนพระองค์รู้จักตัวเราพระองค์รู้จักแม่เราด้วยนะแล้วพระองค์ก็รู้จักแม่ของแม่เราด้วยและพระองค์ก็รู้จักแม่ของแม่ของแ ม, ขงแม่ของแม่เราด้วยและพระองค์ก็ดังรู้จักไล่ไปเรื่อยๆไม่สิ้นสุดฉะนั้นพระองค์ก็เป็นผู้ที่มีสัมพัน์อยู่รู้ชนิดที่เลิกสงสัยว่าจะมีตัวตนเป็นผู้สร้างผู้มีอำนาจบันดาลโดยสิ้นเชิง ส่วนพวกที่รู้ไม่หมดอาจจะรู้ว่าโอไม่เที่ยงนะเป็นทุกข์นะแต่ไม่กล้าที่จะบอกว่ามันไม่มีตัวตนอะไรไม่กล้าบอกยังมีผู้สร้างมีผู้มีอํานาจมีต้นเหตุมีตัวมูลเขาที่สร้างนู่นสร้างนี่ได้อันนี้เพราะว่าเขารู้ไม่ตลอดนะเหมือนคนที่รู้จักเราไม่ตลอดก็อาจจะรู้แค่เอะเรามีที่มานะคือแม่เราคนนี้คลอดมาจากคนนี้ก็จบแหละจบที่แม่เราแหละ นี่แสดงว่ารู้ไม่ตลอดถ้าคนรู้ตลอดก็ต้องรู้ถึงแม่ของแม่เราด้วยถ้ารู้แค่นี้ก็ยังไม่ตลอดอกีกต้องรู้จะมากขึ้นไปกว่านั้นอีกถ้ารู้แบบตลอดอย่างสิ้นเชิงที่สุดก็หาจุดเบื้องต้นและเบื้องปลายไม่ได้นี่นะครับฉะนั้นใครยังหาจุดเบื้องต้นและเบื้องปลายได้อยู่ก็แสดงว่าคนนั้นไม่รู้จริงส่วนคนรู้จริงแล้วท่านบอกว่า จุดเบื้องต้นและเบื้องปลายนั้นไม่มีมีแต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันอิงอาศัยกันและกันเกิดขึ้นนะไม่มีผู้สร้างหรือว่าผู้มีอำนาจที่มันดนบรันรดาลอะไรได้ที่เป็นผู้สร้างแบบเดียวๆส่วนถ้าจะมีผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดก็มีแต่ธรรมะเป็นผู้ใหญ่ที่สุดธรรมะเป็นผู้สร้างถ้าจะพูดอย่างนี้ก็ได้ถ้าจะบอกว่ามีพระเจ้าที่มีอำนาจยิ่งใหญ่ก็ตัวพระเจ้านั้นคือธรรมะอย่างนี้ก็ได้ คือสิ่งที่เกิดจากเหตุจากปัจจัยที่ไม่มีผู้สร้างไม่มีผู้ยิ่งใหญ่คือธรรมะนั่นแหละเป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดอย่างนี้นะครับฉะนั้นถ้าเราจะแก้ไขปรับปรุงอะไรก็ใช้หลักของธรรมะคือสิ่งต่างๆล้วนเกิดตามเหตุตามปัจจัยเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาใช้กฎเกณฑ์อันนี้แหละมาทาเอาอยากได้อะไรก็ทาเอานะอันนี้ พระองค์ก็จะแสดงเหตุปัจจัยของอาหารสี่ต่อไปอเมจัคโขพิกเวจัตตาโรอาหารากิงนิดานากิงสมุทยากิงชาติกากิงปัพพวาดูก่อนภิกษุทั้งหลายอาหารทั้งหลายสี่ประการเหล่านี้มีอะไรเป็นเหตุเกิดมีอะไรเป็นที่เกิดมีอะไรเป็นแดนเกิดมีอะไรเป็นเหตุต้นเขาให้เกิด กิงนิณานามีอะไรเป็นนิธานนะเป็นเหตุเกิดกิงสมุทธยามีอะไรเป็นที่เกิดกิงชาติกามีอะไรเป็นแดนเกิดกิงปัพพวามีอะไรเป็นต้นเขาเป็นมูลให้เกิดนะความหมายก็เหมือนกันนี่แหละอันนี้พระองค์ใช้หลายคําเพื่อให้เราเกิดความเข้าใจขึ้นไม่ว่าจะเป็นนิทานก็ดีสมุทยะก็ดี ชาติกะก็ดีปับภวะก็ดีก็แปล ว, ว่าเหตุปัจจัยเหมือนๆกันนั่นแหละนะครับเอ็มนไหมอาหารสี่นี้เป็นเหตุปัใจจัยให้เกิดขัน5แล้วอาหารสี่นี้ก็มีเหตุปัจจัยมาอีกนะไม่ใช่มาลอยๆเหมือนกันนะครับอเมจัตตาโรอาหาราตันหานิดานาตันหาสมุทยาตันหาชาติกะตันหาปวาัวะ อาหารทั้งหลายสประการเหล่านี้มีตันหาเป็นเหตุเกิดมีตันหาเป็นนิทานมีตันหาเป็นสมุทัยมีตันหาเป็นชาติกะแล้วก็มีตันหาเป็นปปภวะนะครับตัวตันหาตัวความอยากความเพลิดเพลินยินดีตัวความคาดหวังด้วยความไม่รู้นี้ทําให้เกิดอาหาร4ประการเหล่านี้ เห็รูปร่างกายที่เราได้มาทั้งหมดทั้งมวลได้ตาได้หูได้จมูกได้ลิ้นได้กายได้ใจกายใจที่มีคุณภาพอย่างนี้อะไรต่างๆมานี่ตัณหานี้เป็นคนสร้างนะอุปาทานขันขันที่เป็นสิ่งที่เกิดจากอุปาทานนะอุปาทานทำให้มันเกิดพออุปาทานทำให้มันเกิดแล้วมันก็ยังยึดมั่นในสิ่งที่ตัวเองทาให้เกิดนั่นแหละ โอ้หนักเหมือนกันนะเหมือนเราสร้างขึ้นมาเองนะกิเลสทําให้เราสร้างแล้วก็เกิดกิเลสกับสิ่งที่เราสร้างแหมน่าดูเหมือนกันนะหลายซับหลายซ้อนหน่าดูเหมือนกันนะครับเหมือนเรามีกิเลสก็ได้อันนี้มาพอได้อันนี้มาเรียบร้อยเป็นไงครับก็เกิดกิเลสยึดถิงตัวตัวเองสร้างนั่นแนหละโอ้หหลายชั้นเหมือนกันนะฉะนั้นถ้าไม่บอกว่าโง่ก็ไม่รู้จะว่ายังไงต้องบอกว่าโง่อย่างเดียวเท่านั้นนะครับ ฉะนั้นเราทั้งหลายที่ยังวนเวียนอยู่เพราะว่าไม่รู้นั่นเองถ้ารู้แล้วก็จะเลิกแล้วเพราะว่ามันมีอยู่เท่านี้เองก็กิเลสพาเราไปสร้างสร้างแล้วก็เกิดกิเลสเพราะสิ่งที่ตัวเองสร้างเหน็ดเหนื่อยน่าดูเหมือนกันอย่างนี้กิเลสนี่มันทําให้เรายุ่งยากสร้างโน้นสร้างนี้ขึ้นมาก็เหน็ดเหนื่อยสร้างขึ้นมาแล้วก็เกิดกิเลสต้องมารักษาแล้วก็เหน็ดเหนื่อยกับสิ่งที่ตัวเองสร้างอีกทั้งทั้งที่ไม่น่าจะเหน็ดเหนื่อยอย่างนั้นเลยใช่ไหมโอ้นี่ ลำบากลาบนน่าดูเหมือนกันนะครับนี่ตัวตันหานะเป็นเหตุให้เกิดอาหารทีนี้ตันหาก็มีที่มาเหมือนกันไม่มีตัวไม่มี ต, มมตนเหมือนกันแหละท่านก็ถามต่อไปตันหาจายังพิกเวกิงนิดานากิงสมุทยากิงชาติกากิงปภภวาดูก่อนพิสษุตันหลายตันหานี้มีอะไรเป็นนิทานมีอะไรเป็นสมุทยัย มีอะไรเป็นชาติกะมีอะไรเป็นปัปพะวะตัณหาเวทนานิดานาเวทนาสมุทยาเวทนาชาติกาเวทนาปัปภาวาตัณหามีเวทนาเป็นต้นเหตุมีเวทนาเป็นเหตุเกิดนะครับตัณหานั้นมีเวทนาคือความรู้สึกกับอารมณ์ต่างๆนั้นเป็นเหตุเกิด นะฉะนั้นเราทั้งหลายนี่ที่มีตัณหาก็เพราะว่ายังไม่รู้สิ่งต่างๆทั้งหลายทั้งมวลทีนี้ตัณหามันก็มีที่มาเหมือนกันก็คือความรู้สึกนะก็มีความรู้สึกบางชนิดเราก็พอใจบางชนิดเราก็ไม่พอใจเวทนาบางชนิดมันมีขึ้นมาแล้วมันเกิดความรู้สึกสบายใจพอเกิดความรู้สึกสบายใจเราก็ชอบก็อยากได้เวทนาชนิดนี้ อย่างนี้นะครับทีนี้ไม่มีใครสอนเราว่าเวทนาที่มันสบายมีความสุขมันก็ไม่เที่ยงนะไม่มีใครบอกเราอย่างนี้นะพอเวทนาที่เป็นสุขเราสบายใจเราก็นอนเล่นตั้งแต่ตอนเด็กๆนะพอมันไม่สบายใจเราก็ร้องพอร้องแล้วก็ดันมีคนมาเอาใจเราอีกเราก็เลยไม่เกิดการศึกษาไม่เกิดการเรียนรู้ก็เลยรู้สึกว่าอ๋อเวลาเราสบายเราก็อยู่เฉยๆไปพอไม่สบายก็ร้องร้องแล้วก็จะมีคนมาทําให้เรา สบายอีกต่อหนึ่งไปเรื่อยๆมันก็เลยวนเวียนไปตั้งแต่เด็กนะครับฉะนั้นเราทั้งหลายนี่พากันสอนเด็กมาตั้งแต่แรกแล้วก็คือสอนให้มันเข้าใจผิดมาตั้งแต่ต้นว่ามันเวทนาชนิดมีความสุขนี่มันเป็นอย่างนี้มันดีนะพอทุกข์ขึ้นมาก็ร้องร้องแล้วก็จะมีคนเอาสุขมาให้นะพอสุขเป็นทุกข์อีกทุกข์ก็ร้องอีกร้องอีกก็มีคนเอาสุขมาให้อีก อันนี้มันก็เกิดตันหาขึ้นมาตั้งแต่ตอนต้นๆแล้วมันก็อดใจไม่ไหวพออดใจไม่ไหวมันก็มีความรู้สึกแต่อยากจะบังคับควบคุมในสิ่งที่ตนเองต้องการตนเองอยากพอไม่ได้สมอยากหรือว่าออกมาสู่โลกภายนอกมากระทบกับบุคคลอื่นเข้ามันจึงทนคนอื่นไม่ค่อยไหวอย่างนี้เพราะว่ามันติดนิสัยมาจั้งแต่เด็กแล้วนะฉะนั้น ถ้าเป็นฝ่ายตรงข้ามเราเราจึงรู้สึกทนไม่ค่อยไหวถ้าเป็นฝ่ายเราเราจึงรู้สึกพอทนได้อันนี้เป็นนิสัยเด็กนั่นเองคือว่าสุขสบายใจเราพอทนได้พอทุกอีกข้างหนึ่งเราก็ทนไม่ได้เราก็ร้องไปแล้วก็กลับมาอยู่ข้างสุขมีคนมาทําให้ซึ่งเราทั้งหลายก็ใช้วิธีนั้นอยู่เป็นวิธีของเด็กนั่นเองคือเวลาที่มันทุกเราไม่รู้จะทํำยังไงมันเครียดมันวิตกกังวลไปเราก็หาสุขหาสบายใจมานอนกอดเอาไว้ พอสุขไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์อีก ens. ทีหนึ่งก็ไปกระโดดหาสุขมากอดอีกทีหนึ่งพอสุขมันไม่เที่ยงอีกมันเป็นทุกข์อีกก็กระโดดหาสุขอีกทีหนึ่งมันไม่รู้จักวิธีที่จะพ้นทุกข์ได้จริงรู้แต่วิธีว่าไปกอดสุขเอาไว้รู้แต่วิธีว่าไปกอดสุขเอาไว้ แ, ววไแล้วจะหายทุกข์หายได้แป๊บเดียวทุกข์อีกแล้วก็ไปกอดสุขอีกอันหนึ่งเอาไว้ไปเรื่อยๆอย่างนี้นีอันนี้เป็นลักษณะของตัณหาหนั่นเอง ซึ่งตัณหานี้มาจากไหนล่ะก็มาจากเวทนาคือความรู้สึกเราไม่รู้จักเวทนาตามที่มันเป็นจริงไม่รู้จักว่าเวทนานั้นเป็นของลมๆเ ล, ลง้ลงๆเกิดและดับไม่ได้มีอะไรสุขทุกข์เฉยๆนั้นแค่เป็นเรื่องธรรมดาไม่ได้มีอะไรเองแต่ว่าเรากับให้คุณค่าแล้วก็วนเวียนไปกับมันเป็นอันมากเพราะว่าเข้าใจผิดก็เลยเกิดตัณหาขึ้น ฉะนั้นตัณหานี้ก็ไม่ได้มีตัวมีตนนะเกิดจากเวทนาทีนี้เวทนาก็ไม่ได้มีตัวมีตนอีกเหมือนกันเกิดจากเหตุปัจจัยเหมือนกันพระองค์จึงถามต่อไปว่าเวทนาจายังพิกเวกิงนิดานากิงสมุทยากิงชาติกากิงปะพวาดูก่อนภิกษุทั้งหลายเวทนานี้มีอะไรเป็นต้นเหตุมีอะไรเป็นเหตุเกิดมีอะไรเป็นชาติกะมีอะไรเป็นปะพวะ ถามเหมือนเดิมเนี่ยนะก็ถามเหตุปัจจัยไปเรื่อยเพื่อแสดงให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันไม่มีตัวมีตนมันอิงอาศัยกันเกิดขึ้นเวทนาผัสสนิดานาผัสสะสมุตยาผัสสะชาติกาผัสสะปปภาวเวทนานั้นมีผัสสะเป็นต้นเหตุมีผัสสะเป็นเหตุเกิดมีผัสสะเป็นชาติกาเป็นแดนเกิด มีผัสสะเป็นปัปภาวะเป็นมูลเป็นต้นเขาให้เกิดนะครับนี่เวทนามันก็เกิดจากผัสสะเป็นครั้งคลังผัสสะชนิดที่จะทําให้เกิดสุขมันก็สุขผัสสะชนิดที่จะทําให้เกิดทุกข์มันก็ทุกข์ผัสสะชนิดไม่รุนแรงชนิดที่จะทําให้เกิดอัตุคมสุขเกิดอุเบกขามันก็เกิดอัตุคมสุขเกิดอุเบกขาซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาเท่านั้นเองไม่ได้มีอะไรนะครับ ดั้นตัวสุขตัวทุกข์นี่ที่เป็นความรู้สึกก็ไม่ได้มีอะไรเพราะเป็นของที่เกิดจากผัสสะเป็นกล้งๆเป็นของลมๆเ ล, ล้งๆเท่านั้นเองนะอย่างนี้ทีนี้ผัสสะก็มาจากเหตุปัจจัยเหมือนกันผัสโศจายังพิกขเวกิงนิดาโนกิงสมุทโยกิงชาติโกกิงปพัพโวดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ผัสสะนี้มีอะไรเป็นนิทานมีอะไรเป็นสมุทัยมีอะไรเป็นชาติกะมีอะไรเป็นปปภพวะผัสโศสลายตนะนิดานโนสลายตนะสมุทโยสลายตนะชาติโกสลายตนะปปภโวผัสสะมีสลายตนะเป็นนิธานมีสลายตนะเป็นสมุทัยมีสลายตนะเป็นชาติกะมีสลายตนะเป็นปปภพวะ นะตัวผัสสะที่มีการกระทบอารมณ์รับรู้อารมณ์เกิดขึ้นนี้ก็เพราะว่าเรามีอายตนะ6มีที่ต่อหรือว่ามีบ่อเกิดอยู่6ชนิดหรือว่า6ส่วนในร่างกายเหล่านี้มีตาหูจมูกลิ้นกายและใจตาก็ไม่ได้มีตาอยู่ตลอดนะแต่มีตาเฉพาะตอนมันจะ ก, กระทบอารมณ์กระทบผัสสะ เรียกว่าจักขายตณนะตาก็เป็นของเกิดดับเหมือนกัน น, น, นานๆมีตาทีหนึง่งไม่ใช่มีตาอยู่ตลอดหูก็โสตาญตณนะไม่ใช่มีหูตลอด น, น, นานๆมีหูทีเหมือนกันมีตอนมันจะกระทบเสียง น, นั่นแหละเกิดโสตญตนะเป็นบ่อเกิดของการรับรู้เบอรบ่อเกิดของทางโลกคิดดูถ้าเราไม่มีดวงตาซะแล้วนะโลกที่เห็นทางตาวิจิตพิสดารเสื้อลายดอก ลายกุลาบลายจนกระทั่งไปถึงลายไดโนเสาร์อะไรต่างๆจะมีไหมมันไม่มีฉะนั้นไอ้ลายลายดอกดอกไอ้ลายโน้นลายนี่ตาโน้นตานี้สำคัญวิจิตพิสดารยังไงมันก็มาจากบอ่อเกิดคือจากขายาตนะนี้จากขายาตนะบอ่อเกิดคือดวงตานี้ทำให้เกิดการแตกกระจายขยาย ขอบเขตอะไรต่างๆมากมายถ้าเราไปหลงมันนะครับแต่ถ้าเราเข้าใจแม้กระทั่งว่าเอ๊ขนาดตัวบอกเกิดตัวดวงตายังไม่มีตัวตนเลยสิ่งที่อาศัยดวงตากระทบเข้าแล้วไปมองเห็นขึ้นจะมีตัวตนไหมไม่มีขนาดตานี่ยังไม่มีเลยนะไม่มีตัวไม่มีตั ว, ตวเลยอันอื่นๆโอ้สบายมากนี่ถ้ารู้ตั้งแต่ต้นอย่างนี้มันก็ไม่มีปัญหาแต่ว่ามันไม่รู้สิพอไม่รู้มันก็ ขยายความไม่รู้หนักไปเรื่อยๆนะครับอันนี้นะโสตายตนะก็ทำนองเดียวกันนะอาศัยหูนี้เป็นบอกเกิดของการรับรู้เสียงเสียงชมเสียงด่าเสียงหมาเสียงแมวเสียงนกเสียงอะไรต่างๆมากมายจนก่อเกิดความหมายที่เราไปคิดไปนึกทางใจโดยเฉพาะมานายตะนะนั่นแหละส่สาคัญนะบอกเกิด ในด้านทางใจจะนึกจะคิดให้เรามีนั่นมีนี่เป็นโน่นเป็นนี่อะไรขึ้นมาได้หลากหลายมากมายเหลือเกินเป็นคนสําคัญเป็นคนไม่สําคัญมีเงินมีชื่อเสียงมีนั่นมีนี่จริงๆมันมีไหมโอ้ขนาดตัวเรายังไม่มีเลยนะอันเนดื่นก็จบไปเลยว่างั้นแต่พูดง่ายง่ายแต่เรามันมีเยอะไหม โอ้โหมีหน้าตาให้รักษามีโน่นให้รักษามีนี่ให้ดูแลมีนั่นโอ้มันเยอะเหลือเกินนี่แสดงว่ามันเข้าใจปิดไปเป็นอันมากนะครับนี่นะตัวผัสสะที่มันมีขึ้นมันก็ไม่ได้มีตัวมีตัวอะไรก็เพราะว่ามันมีสลายาตนะคืออายาตนะ6มีจักขายาตนะโสตญาตนะคานายาตนะจิวหายญตนะกายาญตนะ และมารมานายาตน ะ, นะครับตัวสลายญตนะก็ไม่ได้มีตัวมีตนเหมือนกันก็มาจากเหตุจากปัจจัยเหมือนกันสลายญตนันจิตดังพิกเวกิงนิดานังกิงสมุทยังกิงชาติกังกิงปภะวังดูก่อนภิกษุทั้งหลายสลายญาตนินี้มีอะไรเป็นนิทานมีอะไรเป็นสมุทยัยมีอะไรเป็นชาติกะมีอะไรเป็นปภะวะ สลายตันังนามรูปะนิดานังนามรูปะสมุทัยังนามรูปชาติกังนามรูปปปพวังสลายตัะนี้มีนามรูปเป็นนิทานมีนามรูปเป็นสมุทัยมีนามรูปเป็นชาติกะมีนามรูปเป็นปภพวะสลายตัะที่มันทาหน้าที่อยู่อย่างนี้นะก็เพราะว่ายังมีนามมีรูปอยู่นามรูปยังเกิดดับสืบต่ออยู่ใน ร่างกายนี้รูปมันยังพอทนได้อยู่ธาตุทั้งสีที่เป็นประธานนี้อาศัยธาตุของโลกใส่เข้าไปยังพอเป็นไปได้อยู่นามธรรมก็ยังเกิดดับอยู่ในร่างนี้อยู่วิญญาณก็ยังสืบต่ออยู่ในร่างนี้ไม่ตายไปเกิดที่อื่นนะครับยังมีนามมีรูปอยู่มันก็เกิดอายตนะได้ฉะนั้นตาเรานี้ไม่ได้มีตลอดนะนามรูปมันมีอยู่ลูกตานี่ก็เป็นส่วนของรูป หูก็เป็นส่วนของหูรูปเหมือนกันเกิดดับสืบต่ออยู่มันจะเป็นจักขายตนะเป็นสลายตนะก็นานนานทีตอนที่ทำหน้าที่เป็นบอกเกิดให้เกิดการรับรู้โลกทางตาทางหูเป็นต้นนะครับทีนี้นามรูปก็มาจากเขตจากปัจจัยเหมือนกัน นามรูปัญจิตดังพิกเวกิงนิดานังกิงสมุทยางกิงชาติกังกิงปภะวังดูก่อนภิสุตทั้งหลายนามรูปนี้มีอะไรเป็นนิทานมีอะไรเป็นสมุทยัยมีอะไรเป็นชาติกะมีอะไรเป็นปภะวะนามรูปังวิญญาณ น, นิดานังวิญญาณสมุทยังวิญญาณชาติกังวิญญาณปภะวัง นามรูปมีวิญญาณเป็นนิทานมีวิญญาณเป็นสมุทัยมีวิญญาณเป็นชาติกะมีวิญญาณเป็นปปภาวะนะครับตัวนามรูปนี้ที่ยังเกิดดับสืบต่ออยู่ในร่างนี้ยังเป็นนามเป็นรูปไม่เป็นต้นไม้นะก็เพราะว่ายังมีวิญญาณสืบต่ออยู่ในร่างนี้อยู่ถ้าวิญญาณมันไม่สืบต่อแล้วมันไปเกิดที่อื่นแล้วไอ้ร่างนี้มันก็ไม่ได้เป็นนามรูปแล้วมันก็เป็น เพียงรูปเหมือนรูปต้นไม้ไม่ใช่นามรูปของสัตว์บุคคลอีกต่อไปเมื่อไม่มีนามรูปของสัตว์บุคคลก็ไม่มีอายัตนามาเกิดขึ้นไม่มีผัสสะไม่มีอะไรอย่างนี้ฉะนั้นตัวนามรูปที่ยังสืบต่ออยู่ในร่างนี้ได้ก็เพราะว่ามีวิญญาณมันสืบต่ออยู่เกิดดับเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆอยู่ในร่างนี้นะครับวิญญาณก็ไม่มีตัวไม่มีตนเหมือนกัน วิญญาณันจิตดังพิกเวกิงนิดานังกิงสมุทยังกิงชาติกังกิงประพวังดูก่อนภิสษุทั้งหลายวิญญาณนี้มีอะไรเป็นนิทานมีอะไรเป็นสมุทัยมีอะไรเป็นชาติกะมีอะไรเป็นปภพวะวิญญาณังสังขารนิดานังสังขารสมุทยังสังขารชาติกังสังขารปัพพวัง วิญญาณนั้นมีสังขารเป็นนิทานมีสังขารเป็นสมุ ท, ทยัยมีสังขารเป็นชาติกะมีสังขารเป็นปป ะ, ะวะวิญญาณก็ไม่มีตัวไม่มีตนเหมือนกันนะวิญญาณที่ยังเกิดดับสืบต่ออยู่ในร่างนี้ไปเรื่อยๆก็เพราะว่ามีสังขารเป็นเหตุเป็นปัจจัยอยู่มีกายสังขารลมหายใจเข้าหายใจออกอยู่ถ้าลมหายใจเข้าแล้วไม่หายใจออกวิญญาณจะอยู่ไหม วิญญาณก็ไม่อ okay ย <Huh okay okay ู่เหมือนกันเพราะมันไม่มีตัวตนเหมือนกันวิญญาณยังอยู่ก็เพราะว่ายังมีกายสังขารอยู่นะยังมีวัจีสังขารอยู่ยังมีวิตกวิจารณ์ยังมีความคิดอยู่ถ้าหมดคิดแล้วมันก็เป็นต้นไม้ไปแล้วมันก็ไม่เป็นรูปร่างกายไม่มีนามรูปแล้วมีวัจีสังขารยังมีวิตกวิจารณ์ยังมีความคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้ผุดขึ้นมาวิญญาณมันก็อยู่ได้หล่อเลี้ยงวิญญาณ ไปตามเหตุตามปัจจัยของมันแล้วก็ยังมีจิตตสังขารอยู่นะยังมีจิตตสังขารมีเวทนามีสัญญาหล่อเลี้ยงวิญญาณอยู่อย่างนี้นะครับเห็นไหมวิญญาณก็ไม่มีตัวตนเหมือนกันอาศัยกายาสังขารคือลมหายใจเข้าหายใจออกอาศัยวจีสังขารคือวิตกกับวิจารณ์ความคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้ ก็ก่อให้เกิดจิตนะถ้าเลิกคิดไปแล้วมันก็ไม่มีจิตเหมือนกันอาศัยจิตตสังขารคือเวทนากับสัญญาความรู้สึกความจําได้ความหมายรู้เราไปหมายรู้โลกอย่างนู้นอย่างนี้ให้เครื่องหมายอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้วิญญาณมันก็อยู่ได้นะอย่างนี้มันก็เป็นเหตุปัจจัยอิงอาศัยกันเห็นไหมแล้วตัววิญญาณอันนี้ที่ มันเ อ, อาศัยความคิดบ้างอาศัยความนึกบ้างอาศัยความรู้สึกบ้างอาศัยลมหายใจเข้าอาศัยลมหายใจออกในการอยู่ในร่างนี้บ้างมันก็ทําให้เกิดนามรูปนามรูปก็ทําให้เกิดอายตนะ ah 6. อายตนะ ah 6ก็ทําให้เกิดผัสสะผัสสะก็เกิดเวทนาเวทนาก็เกิดตัณหาไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับนะ อันนี้วิญญาณก็ไม่ได้มีตัวมีตนเหมือนกันจะบอกว่าวิญญาณยิ่งใหญ่มันก็ไม่ได้เพราะวิญญาณก็อาศัยลมหายใจเข้าหายใจออกนี่หายใจเข้าไม่หายใจออกวิญญาณก็ไม่อยู่แล้วนะมันก็ไม่เกิดดับในร่างนี้แล้วก็ต้องอาศัยกายสังขารอาศัยวจีสังขารคือคิดโน่นคิดนี่ถ้าไม่คิดวิญญาณมันก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันอาศัยการตรึกไปอารมณ์นั้นอารมณ์นี้ถ้าไม่มีอารมณ์วิญญาณมันก็ไม่รู้เหมือนกันนะมีอารมณ์จึงมีวิญญาณ มันไปจับอารมณ์นั้นบ้างอารมณ์นี้บ้างมันจึงอยู่ได้อาศัยจิตตสังขารคือเวทนาบ้างสัญญาบ้างมาปรุงจิตนะครับทีนี้สังขารทั้งหลายเหล่านี้ก็ที่ยังอยู่ได้นี้ก็ไม่ได้มีตัวมีตนเหมือนกันก็มีที่มามีเหตุมีปัจจัยเหมือนกันสังขาราจิเมพิกเวกิงนิดานากิงสมุทยากิงชาติกากิงปภพวา ดูก่อนภิกสุทั้งหลายสังขารทั้งหลายเหล่านี้มีอะไรเป็นนิทานมีอะไรเป็นสมุทัยมีอะไรเป็นชาติกะมีอะไรเป็นปภวะ pues. สังขาราอาวิชานิดานาอาวิชาสมุทยาอาวิชาธาติ ก, ากะอวิชาปภวะสังขารทั้งหลายมีอวิชชาเป็นนิทานมีอวิชชาเป็นสมุทยัยมีอวิชชาเป็นชาติกะ มีอวิชชาเป็นปัภาวะนะตัวสังขารที่มันปรุงแต่งทำให้มีวิญญาณอยู่นี้มาจากอาวิชชานั้นเป็นต้นเหตุเป็นมูลฐานนะอวิชชาคือความไม่รู้อริยสัจพอไม่รู้อริยสัจแล้วเป็นยังไงบ้างความคิดนึกปรุงแต่งอะไรก็มีใช่วิตกวิจารวจีสังขารก็มีมีเวทนามีสัญญาเกิดขึ้นก็ มีนั่นมีนี่วิญญาณมันก็เกาะอยู่แถวนี้แหละมีวิญญาณก็มีนามรูปมีนามรูปก็มีอายตนะเดี๋ยวก็มีฝัดสะมันก็วนเวียนไปเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าหมดอวิชชาเสียแล้วนะพอหมดอวิชชาเสีแล้วการคิดนึกปรุงแต่งจะเอานั่นเอานี้ก็ไม่มีจิตตสังขารสิ่งที่มันปรุงจิตจิตมันก็ไม่ไปตามการปรุงมันก็หมดกันไปเหลือแต่ ของสุดท้ายนะรอเวลาเลิกแล้วจบกันไปอย่างนี้ไม่ต้องก่อนามก่อรูปไม่ต้องก่ออายตนะมารับรู้ผัสสะมาเกิดเวทนามาเกิดตัณหาอะไรอีกต่อไปนะครับแต่ถ้ายังมีอวิชชาเหลืออยู่เมื่อใดก็ตามที่ยังมีอวิชชาเหลืออยู่พวกสังขารอะไรต่างๆมันก็ยังทำงานแล้วก็มีเหตุปัจจัยก็เกิดขึ้นได้นะครับ อวิชชาคือความไม่รู้อริยสัจนะความไม่รู้อริยสัจนี้ก็เป็นต้นเหตุทำให้เกิดการบนเวียนแต่ความไม่รู้อริยสัจก็ไม่มีตัวตวนเหมือนกันก็มาจากเหตุจากปัจจัยเหมือนกันไม่ได้เกิดอยู่ตลอด น, น, นานๆเกิดทีเหมือนกันนะครับทีนี้ท่านก็สรุปแล้วอิติโคภิกเขเวอวิชชาปัจญาสังขาราดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เพราะอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารทั้งหลายจึงมีขึ้นสังขาระปัจจยาวิญญาณังเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีขึ้นวิญญาณปัจจยานามรูปังเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามรูปจึงมีนามรูปะปัจจยาสลายตนะงเพราะนามรูปเป็นปัจจัยสลายตนะจึงมีสลายตนะปัจจยาผัสโศ เพราะสลาญตนาเป็นปัจจัยผัสสะจึงมีผัสสะปัจจยาเวทนาเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีเวทนาปัจจยาตันหาเพราะตันหาเป็นเพราะเวทนาเป็นปัจจัยตันหาจึงมีตันหาปัจจยาอุปาดานังเพราะตันหาเป็นปัจจัยอุปาทานจึงมีอุปา d า n ปัจจยาพะวะเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยพบจึงมี เพรา ะ, ะปัจจยาชาติเพราะพบเป็นปัจจัยชาติจึงมีชาติปัจจยาชารามรณงโสกะปริเดวดะทุกขโดมน ส, สุปายาสาสัมพวันติเพราะชาติเป็นปัจจัยชารามรณะโสกะปริเทวะทุกโทมนัสอุปายาสะจึงมีขึ้นเอวเมตสสะเกวราสสะทุกขขันธสสะสมุทโยโหโติ ความเกิดขึ้นของกองทุกข์ล้วนๆนี้ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้ไม่ใช่การเกิดขึ้นของสัตว์ของบุคคลของตัวตนใดๆนะเป็นความเกิดขึ้นของกองทุกข์ล้วนๆที่เขาเรียกกันว่าขันทั้งหถ้าสมมุติเรียกกันก็เป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นพวกสัมภเวสีอะไรต่างๆก็ว่ากันไปแต่ว่าเป็นกองทุกข์ล้วนๆไม่เจือด้วยสัตว์บุคคลตัวตนใดๆ ทีนี้คนไม่เข้าใจก็ไปเข้าใจผิดในกองทุกนั้นว่าเป็นตัวเราของเราด้วยทิฏฐิไปยึดถือว่าเป็นของเราด้วยตัณหาไปสําคัญมั่นหมายผิดๆว่าเป็นนั่นเป็นนี่ด้วยอํานาจมานะด้วยอํานาจกิเลสของเขานั่นเองนะครับแต่แท้ที่จริงแล้วเป็นกองทุกข์ล้วนๆที่ไม่เจือด้วยสัตว์บุคคลตัวตนใดๆทั้งสิ้นเป็นเรื่องของเหตุเรื่องของปัจจัยล้วนๆถ้าใครเห็นว่า โอ้อันนี้เป็นเรื่องของกระบวนการปฏิจจสมุปบาทไม่มีเราจริงๆนะกายกับใจนี้ไม่ใช่เรานะเป็นไปตามอย่างนี้เห็นอย่างนี้คนที่เห็นอย่างนี้ก็เรียกว่าได้เห็นธรรมะแล้วคนที่เห็นธรรมะก็เห็นปฏิจจสมุปบาทเห็นปฏิจจสมุปบาทก็เห็นธรรมะก็ได้เป็นพระริยาเจ้าขั้นแรกคือเป็นพระโสดาบรนนะครับส่วนการละตันหาละ ความยึดมั่นถือมั่นอันนั้นก็หลังจากเป็นพระโสดาบันแล้วก็ค่อยฝึกกันต่อไปตอนแรกก็ละความเห็นผิดก่อนเฉยๆนะครับฉะนั้นท่านจะมีตันหาบ้างมีความโกรธบ้างมีความยึดถือนั่นยึดถือนี่บ้างก็ไม่เป็นไรแต่ให้เลิกเห็นผิดสก่อนต้องปฏิบัติเพื่อเป็นพระโสดาบันสก่อนกิเลสมันเป็นมันมีเยอะอย่าไปกระโดดข้ามขั้นมากเกินไป บางคนเรียนเรื่องกิเลสโอ้ยึดนั่นก็ไม่ดียึดโน่นก็ไม่ดีชอบก็ไม่ดีรักก็ไม่ดีโกรธก็ไม่ดีหลงก็ไม่ดีก็จะละมันทั้งหมดอย่างนี้ตัวเองจะตายซะก่อนนะตอนแรกเราแค่เห็นตามเป็นจริงอย่างนี้นะพอเห็นตามเป็นจริงอย่างนี้พวกกิเลสรุนแรงที่เป็นทุจริตจะทําเพื่อตัว ต, วตนรักษาหน้าตนเองมันก็จะหมดไปเองศีลก็สมบูรณ์อย่างนี้นะครับ นี่เมื่อเห็นอย่างนี้แล้วนั่นแหละเห็นธรรมะแล้วนั่นแหละจึงจะสามารถปฏิบัติให้เป็นไปเพื่อละความยึดมั่นถือมั่นในโอกาสต่อไปได้แต่ถ้ายังเห็นผิดอยู่การที่จะเลิกยึดมั่นถือมั่นนั้นมันย่อมเป็นไปไม่ได้ขั้นแรกเราต้องฝึกให้ละความเห็นผิดก่อนนะครับพระโสดาบันท่านจึงละสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาแล้วก็สีลัพปตะปรามาสนี มาอย่างนั้นแล้วเราก็จะยังเห็นผิดคิดว่ากายนี้ใจนี้มันเป็นตัวเราอยู่ยังสงสัยอยู่ว่าเรานี่จะบรรลุตอนไหนเราจะไปเกิดที่ไหนหรือว่าเราทําอะไรมาบ้างแล้วเรานั่นเรานี่อยู่จริงๆมีเราบรรลุไหมมันไม่มีเรามันตั้งแต่ต้นแล้วมันเข้าใจผิดไปเฉยๆนะถ้าจะเอาเราไปบรรลุอยู่มันคงไม่บรรลุหรอกต้องเลิกเห็นผิดไปนะครับ ก็คือเห็นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงล้วนแต่เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเกิดขึ้นมาแล้วตามเหตุแล้วก็ดับไปเมื่อหมดเหตุก็เท่านี้เองนะสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งมวลล้วนแต่ดับไปเป็นธรรมดาเกิดขึ้นเพราะมีเหตุดับไปเมื่อหมดเหตุอย่างนี้นะฉะนั้นคนที่เป็นพระสัตบัณท่านก็ถ้าฟังประโยคนี้เข้าใจแล้วก็ ยอมรับความจริงข้อนี้ได้ก็บรรลุนทำเลยนะเหมือนกับพระอาสชิพูดกับพระสารีบุตรเห็นไหมตอ น, น, นแรกๆก็าพูดเรื่องนี้แหละสิ่งใดๆธรรมะใดๆเกิดจากเหตุพระตถาคตเนี่ยก็แสดงเหตุของธรรมะนั้นแล้วก็แสดงว่าธรรมะนั้นดับไปเมื่อหมดเหตุพระมหาสมณะตรัสอย่างนี้แม้ท่านสารีบุตรเป็นไงบรรลุเลยเราฟังมากี่เที่ยวแล้วอันเนี้ยขอโทษ ผม e e ยังนั่งเป็นทั้งแท่งอยู่เลยครับไม่เป็นธรรมะเราใดที่เกิดเพราะเหตุเลยอย่างนี้มันไม่มีอะไรหรอกอย่างนี้นะสติปัญญาไม่มีเลยนะครับฉะนั้นต้องเห็นว่าแม้กระทั่งที่นั่งนั่งอยู่นี้ก็เป็นธรรมะที pa pa <t <t ่ล้วนเกิดมาตามเหตุแล้วก็จะดับไปเมื่อหมดเหตุความคิดนี้เกิดขึ้นเพราะมีเหตุแล้วก็ดับไปเมื่อหมดเหตุความรู้สึกนี้เกิดขึ้นเป็นความสุขเกิดขึ้นเมื่อมีเหตุและดับไปเมื่อหมดเหตุถ้าเข้าใจอย่างนี้ทั้งหมดทุกอัน ไม่สงสัยกับทุกอย่างแล้วธรรมะอันใดที่เกิดขึ้นเมื่อมีเหตุพระมหาสมณะก็ตรัสเหตุของธรรมะเหล่านั้นแล้วตรัสว่ามันจะดับไปเมื่อหมดทิก็จะเข้าใจเลยนะครับอย่างนี้นี่ฟังแค่นี้ภาษาริบุตรก็บรุไปแล้วซึ่งถ้าเราฟังเท่านี้แล้วเข้าใจด้วยนะหมายถึงเห็นความจริงอย่างนี้ก็บรุเหมือนกันเพราะว่าสภาวะมันก็อันเดียวกันไม่ได้มีสัตบุคคลตัวตนอะไร หรือว่าพระอัญญายโกธัญญาก็ยังกินจิสมุทยธรรมมังสัพพันตังนิโรธธรรมมังสิ่งใดๆที่มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งมวลล้วนแต่ดับไปเป็นธรรมดาอันนี้นะเราก็ท่องไว้กี่เที่ยวแล้วเนี่ยนี่แหละนี่แหละอย่างนี้แหละเอาดังนี้เอาเท่านี้พอไม่ต้องรู้เยอะก็ได้นะก็คอยสังเกตอยู่ในกายในใจของตนเองนี้นะครับ ก็ต้องไปฝึกให้มีศีลมีสมาธิมีสติสัมปชัญญะให้ดีๆแล้วก็คอยมองดูอยู่ในกายในใจนี้ไม่ต้องไปมองอะไรประหลาดพิสดารอะไรเนี่ยเห็นเห็นกันอยู่อย่างนี้นะครับเอาสิ่งที่เห็นเห็นกันส่วนอันที่ไม่เห็นก็วางเอาไว้ก่อนเหตุปัจจัยที่ยังไม่รู้หรือว่าเรื่องที่ยังไม่รู้ก็วางเอาไว้ก่อนส่วนเรื่องที่พอรู้ได้มันก็มีอยู่นะก็ดูเอาอันที่รู้ได้นะครับ อันนี้ก็เป็นบาลีในข้อ402พระองค์กล่าวถึงอาหาร4ซึ่งเป็นเหตุปัจจัยให้เกิดขันห้าแล้วก็กล่าวถึงเหตุปัจจัยให้เ ah like กิดอาหาร4คือตันหาเหตุปัจจัยให้เกิดตันหาคือเวทนาเหตุปัจจัยให้เกิดเวทนาคือผัสสะเหตุปัจจัยให้เกิดผัสสะคือสลาญตนะเหตุปัจจัยให้เกิดสลาญตนะคือนามรูป เหตุปัจจัยให้เกิดนามรูปคือวิญญาณเหตุปัจจัยให้เกิดวิญญาณคือสังขารเหตุปัจจัยให้เกิดสังขารคืออวิชชาแล้วก็สรุปว่ากองทุกล้นล้วนมันเกิดขึ้นได้อย่างนี้นั่นแหละเริ่มตั้งแต่อวิชชาปัจจยาสังขาราเป็นต้นไปจนกระทั่งถึงชาติปัจจยาชารามรนังนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของเหตุเรื่องของปัจจัย ฉะนั้นท่านทั้งหลายประพฤติปฏิบัติธรรมฝึกสติสัมปชัญญะจะรู้ตรงไหนก็ได้ขอให้อยู่ในแง่มุมนี้ว่ามันไม่มีตัวตนมันเกิดเพราะเหตุเพราะปัจจัยเอาอันที่เรารู้ได้เท่านั้นเองไม่ได้ว่าแหมต้องรู้ให้ครบทุกอันต้องรู้ตัดตรงนั้นตัดตรงนี้ไม่ต้องอย่างนั้นหรอกเอาให้รู้อย่างนี้นะไม่ใช่ว่าแหมต้องรู้ให้ทันเวทนานะตัณหาจึงจะไม่มี อย่างนี้ไม่ต้องขนาดนั้นหรอกเอาแค่รู้ว่าอ๋อนี่เราเกิดตัณหาเกิดความอยากขึ้นเพราะมันเกิดจากเวทนาตัณหามันไม่มีตัวตนถ้าเกิดตัณหาขึ้นมาแล้วยึดถือก็ให้รู้ว่าความยึดถือนี้ก็ไม่มีตัวตนอาศัยตัณหาปัจยาอุปาดาหนังเกิดความรู้สึกว่ามีตัวมีตนก็ไม่ต้องไปเสียใจอะไรเพราะความชาติความรู้สึกมีตัวมีตนเกิดขึ้นเพราะเพราะความยึดถือหรือแม้เกิดความทุกข เกิดความเศร้าโศกเสียใจขึ้นมาแล้วก็ไมเ่เป็นไรก็ให้รู้ว่าอ๋อสิ่งเหล่านี้ก็เกิดเพราะเหตุเพราะปัจจัยมาจากชาติหรือว่าความยึดถือเป็นตัวเป็นตวนต ว, ว่าเราเป็นนั่นเป็นนี่มีนั่นมี น, นี่พอถูกกระทบกระแทกหรือว่าสูญเสียไปเราก็โศกะปริเทวะซึ่งมีตัวตนไหมไม่มีตัวไม่มีตนเหมือนกันอย่างนี้นะครับฉะนั้นตรงไหนก็ได้ขอให้รู้ว่าเป็นของไม่มีตัวไม่มีตน เป็นของที่อิงอาศัยกันและการเกิดขึ้นก็ใช้ได้บางคนเขาไม่เข้าใจเขาก็นี่ต้องรู้ให้ทันเวทนานะตัณหาจึงจะไม่มีนี่เขาว่าอย่างนี้ถ้าโดยถูกต้องมันก็เป็นอย่างนั้นแต่เป็นความรู้ของพระอรหันต์แต่ถ้าเรายังไม่เป็นพระอรหันตก็อย่าพยายามไปทําอย่างนั้นถ้าตัณหามันเกิดก็ให้รู้แค่ว่ามันไม่มีตัวตนมันอาศัยสิ่งต่างๆเกิดเราห้ามมันไม่ได้บังคับมันไม่ได้ถ้าเกิดความยึดถือขึ้น ก็ให้รู้ว่ามันมีเหตุปัจจัยตัณหาปัจจญาอุปาดาหนังอย่างนี้เป็นต้นนะครับทีนี้พระองค์ก็จะตรัสถามความเข้าใจหรือว่าความเห็นของภิกษุในเรื่องปัจจัยาการทั้ง11อย่างในบาลีข้อ4ีรในหน้าที่6นี้นะครับถามไปทีละอย่างทีละอย่างตามลำดับของปัจจัยาการคืออาการลักษณะที่ สังขารทั้งหลายล้วนเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยถามทุกอันทุกอันไปเพื่อให้พภิกษุนั้นตอบแล้วก็ทวนความเข้าใจทุกอันทุกอันไปก็เพื่อเน้นนั่นเองจากนั้นลักษณะของพระพุทธพจน์นะถ้าเราอ่านจริงๆแล้วท่านจะพูดซ้ําๆกันไปถ้าเราเรียนแบบวิชาการหรือว่าอยากได้ความรู้ เ, อ ย, เยอะจะรู้สึกเบื่อเพราะว่าอะไรซ้ําอีกแล้วพอซ้ําอีกแล้วเราก็อ่านกระโดดกระโดดกระโดดไปส่วนตนเองนี้ยังเป็นทุกข์เหมือนเดิมแหละนะ ของพระพุทธเจ้าท่านไม่เน้นเรื่องนั้นท่านเน้นเรื่องความเข้าใจพอเข้าใจแล้วจะพูดซ้ําๆอยู่อย่างนั้นนั่นแหละเพราะว่าความเข้าใจนี้มันเป็นเรื่องซ้ําๆซ้ําไปซ้ำมาอยู่อย่างนั้นนะฉะนั้นถ้าใครรู้สึกว่าเบืเ่อบ้างอะไรบ้างก็ไม่เป็นไรทนทนเอานะนะในบาลีข้อ403พระองค์ก็จะถามภิกษุทั้งหลายในเรื่องปัจจัยาการคืออาการลักษณะที่ ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเห็นไหมความสิ้นไปของตัณหาตัณหาสังคยะมันมาเกี่ยวอะไรกับเรื่องปัจจัยาการก็เพราะว่าการจะสิ้นตัณหาสิ้นความอยากได้ต้องอาศัยความรู้ที่ถูกต้องเท่านั้นจึงจะสิ้นตัณหาสิ้นความอยากต้องอาศัยความรู้ด้านธรรมะอาศัยความรู้เรื่องปัจจัยาการคือทุกสิ่งทุกอย่างล้วนอิงอาศัยกันไม่มีตัวตนไม่มีตัวเราไม่มีของเรานะ ถ้ายังไม่รู้เป็นไงตัณหาก็มาเลยแต่ถ้ารู้ตัณหาก็สิ้นไปสิ้นตัณหาก็สิ้นทุกก็จบกันเท่านั้นเองนะครับฉะนั้นในหลักของอริยสัจท่านจึงเอาทุกขอริยสัจคืออุปาทานขันธ์ทั้งห้านี้ขึ้นเป็นอันแรกเพราะว่าพูดตามลำดับของการปฏิบัติเพื่อพ้นทุกข์คือต้องมามีความรู้ก่อนตัณหาจึงจะหมดไม่ใช่พยายามละตัณหา เพราะว่ามันไม่ใช่วิธีวิธีการก็คือต้องรู้ความจริงก่อนพอรู้ความจริงแล้วตัณหาก็จะดับไปเองตัณหาก็จะหมดไปเองอย่างนี้นะครับแต่โดยส่วนใหญ่เราทั้งหลายนี่ชอบไปคิดว่าเรื่องอริยสัจก็ดีเรื่องปฏิจจสมุป บ, บาทก็ดีนูน่นมันธรรมะขั้นสูงมากไม่เอามาเรียนพอไม่เอามาเรียนมันก็ ตันหามันไม่หมดพอตันหามันไม่หมดเราไปเรียนเรื่องอะไรมันก็ตันหาเอาไปกินหมดเรียนเรื่องบุญเรื่องบาปเรียนเรื่องโน้นเรื่องนี้ตันหาเอาไปกินหมดแต่ของพระพุทธเจ้านี้พระองค์บอกว่าอริยสัจก็ดีปฏิจจสมุปบาทก็ดีเป็นอาธิพรหมจันทร์คือเรื่องที่ต้องฟังก่อนฟังให้เข้าใจก่อนค่อยฟังเรื่องอื่นเรื่องชาดกไว้ฟังทีหลังเพราะว่าถ้าฟังก่อนปับ๊บถ้าเขายึดถือเป็นตัวตนอยู่เขาจะเข้าใจผิดไปเลยอย่างนี้นะครับ เวลาที่มีพวกปริพาชคหรือว่าพวกพราหมณ์ก็ได้มาถามพระพุทธเจ้าอ้าวสัตว์ตายแล้วเกิดอีกไหมหรือว่าไม่เกิดอีกหรือว่าเกิดดี ก, ก็มีไม่เกิดดี ก, ก็มีพระพุทธเจ้าจะไม่ตอบเลยเพราะว่าเขายังไม่รู้เรื่องพรหมจรรย์แต่ถ้าภิกษุทั้งหลายมาถามข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุรูปนี้ท่านเป็นอย่างนี้อย่างนี้ท่านตายไปแล้วคติภายหน้าของท่านเป็นอย่างไรอภิสัมภายาภพเป็นอย่างไรท่านไปเกิดที่ไหนพระพุทธเจ้าตอบ ตอบเพราะว่าอะไรเพราะว่าภิกษุเหล่านี้ท่านรู้จักพรหมจรรย์แล้วเห็นไหมต่างกันนะทั้งที่ถามคล้ายๆกันเองว่าไปเกิดที่ไหนอะคนนี้ยแต่พวกหนึ่งตอบพวกหนึ่งไม่ตอบนะครับเพราะว่าท่านตอบแก่ภิกษุทั้งหลายเพราะว่าภิกษุทั้งหลายทราบดีเรื่องอริยสัจ ท, ทั้ง4ี่ทราบเรื่องปัจจัยาการอาการหรือว่าลักษณะของธรรมะทั้งหลายที่เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยนะครับ ฉะนั้นถ้าเราจะทำความดีหรือว่าทำบุญทำกุศลอะไรต่างๆก็อย่าลืมเรื่องนี้นะไม่ใช่แม้ท่านอนาถาบินทิกะเศรษฐีนี่ให้ทานเยอะเราก็จะให้ตามท่านแหละมันก็ดีอยู่แต่ท่านอนาถาบินทิกะเศรษฐีนี่ท่านเป็นพระโสดาบันแล้วท่านจึงให้เราเป็นหรือยังเรายังไม่เป็นเนี่ยเราควรจะเป็นโสดาบันก่อนควรจะไปรู้ว่าโอ้ท่านเป็นโสดาบันนี่ท่านรู้อะไรแล้วก็ค่อยให้ อย่างนี้ก็ใช้ได้ไม่ว่าอะไรกันนางวิสาขานี่แม้สร้างบุปผารามเป็นคนดีจริงๆเราก็จะทําแบบท่านทําแบบท่านก็ดีอยู่แต่ท่านเป็นโสดบันท่านจึงค่อยทําเห็นไหมต่างกับเราไหมต่างกับเราเนี่ยต่างกันเยอะเหมือนกันนะครับแต่เรานี่มันชอบข้ามขันเนาะอันไหนดีๆก็ขอให้บอกมาเถอะเอาของทุกคนนี่แหละเอาทุกคนเลยนะเอาความดีของทุกคนมารวไมไว้ที่เราคนเดียวมันก็เลยเละตุ้มเปะตลอด นะครับฉะนั้นเรื่องอริยสัจธรรมหรือว่าเรื่องปัญญาการนี้ควรเข้าใจก่อนเพราะว่าอันนี้จะทำให้เรารู้จากความไม่มีตัวไม่มีตนแล้วฝึกฝนตนเองเพื่อเป็นพระโสดาบันเห็นว่ากายว่าใจไม่ใช่ตัวเราพอเป็นพระโสดาบันแล้วจะให้ทานจะสร้างวัดสร้างวายางท่านอนาถบินติกะอย่างนางวิสาขาหรือถวายสวนเวลุวันอย่าง พระเจ้าพิมพิสารอย่างนี้ก็เชิญตามสบายไม่มีใครว่าอะไรอยู่แล้วแต่เรานี่มันไปทำดีซะจนแล้วก็ยึดถือเป็นตัวเราของเราซะจนมากมายเหลือเกินมันก็ผิดพลาดกันไปไกลเหมือนทาอะไรเยอะแต่ก็เหมือนไม่ได้ทำอะไรเพราะว่ายิ่งทำเยอะยิ่งยุ่งยากมากขึ้นไปเรื่อยๆเพราะมีแต่ความยึดถือแต่ท่านเหล่านั้นท่านได้ทาแบบนี้ไหมท่านไม่ได้ทาแบบนี้เพราะว่าท่านไม่ยึดถือไม่เข้าใจผิดแล้วอย่างนี้นะครับ นั้นต้องเข้าใจประเด็นของธรรมะให้ดีๆนะทีนี้พระพุทธเจ้าก็จะได้ถามภิกษุทั้งหลายในปัจจยาการทุกๆข้อไปเหมือนๆกันนะครับมี11ปัจจยาการด้วยกันในบาลีข้อ403ชาติปัจจยาชารามรณังอิติอิติโขปเนตังวุตังดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ข้อที่เรากล่าวดังนี้ว่า เพราะชาติเป็นปัจจัยชรามารณะจึงมีดังนี้ชาติปัจจญานุขโขพิขเวชรามารนังโนวาดูก่อนพิกษุทั้งหลายเพราะชาติเป็นปัจจัยชรามารณะจึงมีหรือหนอหรือว่าไม่ได้เป็นอย่างนั้นกระถังวาเอธะโหติเธอทั้งหลายมีความเห็นในเรื่องนี้ว่าอย่างไรนี่ก็ถามความเห็นก็ยก ข้อว่าชาติปัจจยาชรามรณะเพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะจึงมีดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะจึงมีหรือไม่หนอหรือว่าไม่ใช่อย่างนี้ใช่ไหมหรือว่าไม่ใช่เธอทั้งหลายมีความเห็นในเรื่องนี้ว่าอย่างไรเราทั้งหลายมีความเห็นว่าอย่างไงครับอ่านะ่ เพาชาติปัจจยาชรามรณงไว้ก่อนใช่ไหมเพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะจึงมีนี่ถามภิกษุทั้งหลายว่าเป็นอย่างนี้หรือไม่หรือว่าไม่ใช่เธอมีความเห็นในเรื่องนี้ว่าอย่างไรภิกษุทั้งหลายก็ตอบว่าชาติปัจจยาพันเตชรามรณงข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะจึงมี เอวังโนเอถะโหติชาติปัจจยาชารามรณงในข้อนี้ข้าพระองค์ทั้งหลายมีความเห็นอย่างนี้ว่าเพราะชาติเป็นปัจจัยชารามรณะจึงมีนะที่คนมันแก่มันตายไปมันผมขาวมันหนังเหยียวย่นรอยตีนกาขึ้นแล้วก็ตายตายกันไปนี่เพราะอะไรเพราะมันเกิด ชาติปัจจยาชารามรนังเป็นอย่างนี้ใช่ไหมพระพุทธเจ้าถามหรือว่าไม่ใช่มีความเห็นว่ายังไงภิกษุทั้งหลายก็บอกว่าใช่แล้วคือว่าเพราะชาติเป็นปัจจัยชารามารณะจึงมีในข้อนี้ข้าพระองค์ทั้งหลายมีความเห็นอย่างนี้นั่นแหละว่าเพราะชาติเป็นปัจจัยชารามารณะจึงมีอย่างนี้ก็เป็นความเห็นถูกในแง่ของ ชารากับมรณะเห็นไหมมีคนชรามีคนตายไหมไม่มีพูดแต่เรื่องเหตุเรื่องของปัจจัยทำไมจึงมีชาราเพราะมีความเกิดทำไมจึงมีตายเพราะมีเกิดนี่เวลาพูดถึงคนแก่คนตายนี้ไม่ได้พูดว่าคนแก่มีจริงๆไม่ได้พูดว่าคนตายมีจริงๆแต่พูดไปตามเหตุตามปัจจัยว่าเพราะมันเกิดนานมันจึงแก่เพราะมันถึงอายุมันจึงตายเพราะมันเกิดมันจึงตายอย่างนี้ พอเข้าใจอย่างนี้ไหมเนี่ยเวลาพูดนี้ไม่ได้พูดถึงบุคคลตัวตนอะไรแต่เป็นคำสื่อสารกันขึ้นมาว่าชารามรณะนี้มีขึ้นมาเพราะชาติเป็นปัจจัยนะครับฉะนั้นเวลาเรามีสติสัมปชัญญะก็มองให้มันถูกต้องนะค่อยค่อยมองค่อยค่อยฝึกค่อยค่อยหัดไปจะได้ไม่รู้สึกว่ามีคนแก่สัตว์แก่มีคนตายสัตว์ตายมีผู้หญิงตายผู้ชายตายไม่ใช่อย่างนั้น ไม่มีอย่างนั้นหรอกนะมีแต่กองทุกข์ล้วนๆเท่านั้นเองที่มีแก่เพราะมีเกิดที่มีตายก็เพราะมีเกิดเท่านั้นแหละนะครับต่อไปก็ปัจจัยาการลำดับที่สองภาะวะปัจจยาชาติอิติอิติโขปเนตังวุตังก็ข้อที่เรากล่าวดังนี้ว่าเพราะพบเป็นปัจจัยชาติจึงมีดังนี้ภาะวะปัจจัานุโขพิกเวชาติ โนวาดูก่อนวิสุตทั้งหลายเพราะพบเป็นปัจจัยชาตจึงมีหรือหนอหรือว่าไม่ใช่กระถังวาเอตทะโหติหรือว่าเธอทั้งหลายมีความเห็นในเรื่องนี้ว่าอย่างไรเพราะพบเป็นปัจจัยนะจึงมีชาติเพราะมีการกระทำตามอานาจของพบตามอานาจของกามบ้างตามอานาจของรูปบ้างตามอานาจของอรูปบ้าง ความรู้สึกมีตัวมีตนเราเป็นนั่นเป็นนี่จึงมีขึ้นใช่ไหมหรือว่าไม่ใช่มีความเห็นในเรื่องนี้ว่ายังไรนะภิกษุทั้งหลายก็กราบทูลว่าภพาะวะปัจจยาพันเตชาติข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเพราะพบเป็นปัจจยัยชาติจึงมีเอวังโนเอถทะโหติภพราะวะปัจจยาชาติ ในข้อนี้ค่าพระองค์ทั้งหลายมีความเห็นอย่างนี้ว่าเพราะพบเป็นปัจจัยชาติจึงมีนะครับนี่ตัวชาตตัวความเกิดขึ้นเป็นตัวเป็นตนไม่ว่าจะเป็นแบบพูดแบบทั้งชาติหรือว่าชาติย่อยในความรู้สึกเป็นตัวเป็นตนแต่เดิมไม่เคยมีเราอยู่ในโลกนี้ใช่มเออเพราะว่ามีการกระทากรรมมีพบจึงมีเราโผล่ขึ้นมาตามกรรมของตนเอง พอหมดกรรมไปไหมก็ไปมาโผล่ขึ้นมาแป๊บเดียวก็ไปแล้วไม่มีสั์ไม่มีบุคคลอะไรนะฉะนั้นถ้าพูดถึงบุคคลมาเกิดบุคคลได้ชาตินี้มาก็ไม่ได้พูดถึงว่าบุคคลมีจริงๆนะพูดถึงว่าโอ้อันนี้คําว่าบุคคลบุคคลนี้เป็นสมมุติบัญญัติเรียกผลที่มันเกิดขึ้นจากเหตุจากภพเพราะว่าปัจจยาชาติเห็นไหม ตัวชาติตัวความเกิดตัวความได้อายตนะได้ความปรากฏของขันขึ้นมานี่ไม่ได้พูดถึงสัตว์บุคคลแต่เวลาสื่อสารกับชาวโลกเราก็พูดตามแบบบุคคลนั่นแหละเออมีคนเกิดแต่ว่าในความรู้สึกของเรามีคนเกิดจริงๆไหมไม่มีมีแต่ภาะวะปัญญาชาติอย่างนี้นะครับอันนี้นะเธอมีความเห็นอย่างไรภิกษุก็บอกว่า เห็นอย่างที่พระองค์แสดงอย่างนั้นนั่นแหละส่วนเราทั้งหลายนี่ไม่รู้เห็นอย่างไรก็ไม่รู้เนาะแต่ถ้าจะเห็นให้ถูกนี่ต้องเห็นแบบนี้พระองค์ก็ถามไปทีละอันทีละอันอย่างนี้นะครับต่อมาก็ปัจจัยการที่สอุปาดาปัจยาพระโวอิติอิติโขปเนตังวุตตังก็ข้อที่เรากล่าวดังนี้ว่าเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยพบจึงมีดังนี้ อุปาดานปัจจญานุขโพิกเวพโวโนวาดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยพบจึงมีหรือหนอหรือว่าไม่ใช่กิงวาเอธะโหติหรือว่าเธอทั้งหลายมีความเห็นในข้อนี้ว่าอย่างไรเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีพบใช่ไหมหรือว่าไม่ใช่นะ เราก็เรียนมาเยอะแนละ้วเราตอกบะัชไว้ก่อนใช่ไหมนะก็ว่ากันไป่อย่างน้อยก็เรียนถูกก็ยังดีนะครับแต่ถ้าจะให้ดีก็ต้องเห็นอย่างถูกต้องตรงอย่างนั้นด้วยความมีตัวมีตน ม, ม, ม, มีเรามีของเรามันก็ไม่อยู่ในความรู้สึกนะเห็นตามเป็นจริงส่วนคำพูดเราก็พูดอย่างชาวโลกทั่วไปนี่แหละสมมุติบัญญัตินี้ไม่ใช่สิ่งที่ต้องละแต่เป็นสิ่งที่เรา ต้องรู้เท่าทันแล้วก็ใช้มันใช้มันแล้วเราก็ไม่ยึดถือในถ้อยคำของชาวโลกนั้นนะครับพิกสุทั้งหลายก็กลาบทูลว่าอุปาดาณปัจจญาพันเตพระโวเอวังโนเอถหโหติอุปาดาณปัจจญาพระโวข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยพบจึงมีในข้อนี้ ข้าพระองค์ทั้งหลายมีความเห็นอย่างนี้ว่าเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยพบจึงมีความยึดมั่นถือมั่นเป็นปัจจัยนะพบจึงมีขึ้นนะครับต่อมาก็ปัจยาการลำดับที่สี่ที่พระองค์ถามตันหาปัจจญาอุปาดาอิติอิติโขปเนตังวุตังก็ข้อที่เรากล่าวดังนี้ว่าเพราะตันหาเป็นปัจจัยอุปาทานจึงมีดังนี้ ตันหาปัจจญานุโขภิกเวอุปาดานังโนวาดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะตันหาเป็นปัจจัยอุปาทานจึงมีหรือหนอหรือว่าไม่ใช่กระถังวาเอธะโหติหรือว่าในข้อนี้เธอทั้งหลายมีความเห็นว่าอย่างไรภิกษุทั้งหลายก็ตอบว่าตันหาปัจจญาพันเตอุปาดานังข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ตัณหาเป็นปัจจัยอุปาทานจึงมีเอวังโนเอถะโหติตัณหาปัจจะยาอุปาดาหนังในข้อนี้ข้าพระองค์ทั้งหลายมีความเห็นอย่างนี้ว่าเพราะตัณหาเป็นปัจจัยอุปาทานจึงมีความยึดมั่นถือมั่นนี้ไม่ได้มีตัวมีตนอะไรนะฉะนั้นอย่าไปกลัวความยึดถืออย่างนั้นอย่างนี้ต้องเห็นให้มันถูกต้องถ้าเห็นถูก ความยึดถือมันก็จะลดลงเองนะโอ้ความยึดนี้ไม่มีตัวไม่มีตนนะเพราะมีความอยากมีความคาดหวังมีตัณหาด้วยความไม่รู้จึงยึดขึ้นอยากนานไปหน่อยเลยเกิดความรุนแรงแล้วยึดถือขึ้นมาก็ไม่มีตั ว, ไ ม, มตวไม่มีตนเหมือนกันนะครับอันนี้ตัณหาปัจจยาอุปาดาหนังนะฉะนั้นท่าน ให้เราศึกษาเรียนรู้สิ่งต่างๆตามที่มันเป็นจริงนะไม่ได้ให้ไปรังเกียจกิเลสแต่ให้รู้ว่ากิเลสนั้นมันไม่ใช่ตัวตนมันเกิดเพราะมีเหตุมีปัจจัยไม่ได้ให้ไปรังเกียจความทุกข์ไม่ได้ให้ไปรังเกียจโสกะปริเทวะอะไรแต่ให้รู้ว่าพวกความทุกข์พวกโสกะปริเทวะก็เกิดเพราะเหตุเพราะปัจจัยไม่ได้ให้ไปรังเกียจชาติไม่ได้ให้ไปรังเกียดคนนั้นเกิดคนนี้เกิดอะไรแต่ให้รู้ว่าชาติความเกิดนั้น มันไม่ใช่ตัวตนมันเกิดเพราะเหตุเพราะปัจจัยให้เห็นธรรมะว่างันเถอะนะครับอย่างนี้แหละด้วยอุบายหรือว่าด้วยวิธีการที่ถูกต้องเช่นนี้ก็จะเป็นไปเพื่อความสิ้นตัณหาได้เนี่ยรู้จักความจริงเนี่ยจะสิ้นตัณหาได้ถ้าไม่รู้จักความจริงจะอยากด้วยความไม่รู้นั่นแหละน่พอเห็นว่ากิเลสไม่ดีก็อยากสิ้นกิเลสใช่ไมอยากสิ้นกิเลสก็เป็นตัณหาเหมือนกัน ถ้ารู้ไม่ถูกต้องหรือว่าไม่ทราบวิธีนะสู้ตันหาไม่ได้นะครับะฉะนั้นท่านจึงบอกว่าเรื่องอริยสัจก็ดีเรื่องปฏิจจสมุปบาทก็ดีมันเป็นเบื้องต้นของพรหมจรรย์เพราะว่าด้วยความรู้ชนิดนี้เท่านั้นจึงจะทำให้หมดตันหาได้ด้วยความรู้ชนิดอื่นนี้มันสู้ตันหาไม่ได้นเอาเราพักสักครู่นะครับ